โปรเฟสส่งข่าวมาว่าได้ไปพบคือทางดรซูสมิธจากออสเตรเลียนะคะ เ, เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นประสบการณ์ของเธอที่นำเอาการเจริญสติเข้าไปในการศึกษาของเด็กระดับต่างๆแล้วก็ให้ขอให้โ r o เฟสเซอร์มิเลอร์ช่วยเขียนคำนำให้ท่านก็เลยบอกข่าวมาว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าจะชักชวนให้มาได้รู้จักกันนะคะ เพราะนั้นก็ถือว่าการศึกษาแนวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสาทางรอดของมนุษย์นะคะตอนแรกเรากันได้ว่าเป็นแค่การสาทางเลือกนะแต่บัดนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสาทางรอดและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการยานามิตรนะคะเพราะว่าเด็กๆ เ, เนี่ยแม้ไปฝึกมาแม้เราเองก็เหมือนกันถ้าเราได้ไปฝึกมาอยู่ในวัดเจ็ดวันแต่พอเรากลับมาแล้วเราไม่ได้มีความต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะหายไปจากชีวิตเราได้อย่างง่ายดายนะคะ เพราะว่าเราก็มาเจอกับกระแสโลกต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการยาณมิตรที่จะอยู่ใกล้ๆเด็กนะคะที่จะพาเขาให้ได้มีโอกาสฝึกแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะขอบพระคุณครับพ่อทีนี้เราได้เข้าใจเป้าหมายแล้วก็ความต้องการของทางสถาบันทั้งมาก็ไอ้สถาบันนี้เป็นมหาลัยหรือเป็นโรงเรียนอ๋อ สถาบันก็มีครบบทนะตั้งแต่อนุบาลจนถึ ง, ถงมหาลัยก็เลยน่าจะเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องทีนี้เรื่องที่เราจะนํามาสู่แกนหลักในการเสวนา mm. ในวันนี้ก็คือว่า mm. เพื่อเป็นแนวหลักที่จะให้ในที่นี้มีทั้งครูอาจารย์และก็ผู้นําของสถาบันที่นี่หลายท่านนะมาฟังด้วยทีนี้การที่เราจะนําเรื่องสติปฐาน4ี่แบบนี้ที่เราสวนมาเมื่อี่เข้าสู่ กระบวนการการศึกษาเนี่ยามาก็อยากจะได้รับความารู้ความเข้าใจที่แนวนําไปสู่ปฏิบัติอามาก็มองในมุมของพระที่อยู่ในกระแผงวัดว่าสติปัฏฐานแบบ4ีแบบนี้แหละแต่พอไปนอกวัดบางทีมันมันต่างออกไปมันหลากหลายออกไปเราก็เคยเราก็ได้เชิญคนที่เจริญสติปัฏฐานนอกวัดอย่างอาจารย์สุภีอย่างอาจารย์ธีรยุทธ์มาร่วมด้วยนะแล้วก็เพิ่งเห็นหน้าคุณหมอพลที่เพิ่งมาร่วมเหมือนกัน นะวตอนหลังจะได้เชินขึ้นเวทีด้วยคุณหมอคนที่ผู้จัดการคอสอยู่ที่ชอ้อยจุนหมายเหตุนุนเทพศนะเขามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นที่เราสวดปเป็นวิคีอาจารย์ทิยุทธ์ว่าเอกาแยโนโูพิกเวอยางมักภูว่าพุททางนี้เป็นหุทธทางเพียงทางเดียวอันนี้มาใช้สมนวนแปลตรงนั้นนะนะว่าพุทธทางอื่นหุททางเดียวเท่านั้นที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ห้าประการเนะี่ยสตานันวิสุทธิยาสุกัปริเทวรัง อตั้งขมายะทุกขะโทมานัสธรรมราสานันงอดีขมายะแล้วก็ยาญาสานิคมายะนิพพานสจิการันทยะว่า5ประการมันเป็นเพื่อความบริสุทธิ์หมดเกลียดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ไป่ได้แห่งทุกขะและโทมานัสเป็นไปเพื่อก้าวล่วงข้ามเจือทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจและเพื่อการบรรลุธรรมที่เราควรจะรู้แล้วเพื่อการทําพระนิพพานให้แจ้ง ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอยากจะทราบว่าหุ้นทางนี้เป็นหุ้นทางเพียงทางเดียวสตรีประธานสีซึ่งในายก็แต่พโดววทั้งแปดหมื่นสี่พันทางว่าเงินแต่ว่าทางนี้เป็นทางทางเดียวซึ่งมันมีอะไรแย้งกันอยู่ในตัวซึ่งตรงเนี้อยากจะให้การย์พิยุทธ์ได้ได้ให้จํากัดตรงนี้นึกถึงว่าเป็นเพราะอะไรจรึงนำแปาเป็นทางเดียวเด่นพรตรงนี้จะจะได้อาจารุบีช่วยส่งมา นวัตการมพระคุณเจ้าที่เครารพสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจไปฝ่คมทุกขั้นครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดคืออาจารย์สุภีเพราะอาจารย์สุพีนี่มีเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพระไตรปิฎกมากนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยให้มองลักษณะว่าเป็นผู้ร่วมเดินทางเส่นเดียวกันเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมโดยส่วนตัวผมเองแล้วผมก็มองว่าการเจริญสติปัฏฐานสีนั่แหละ คือการเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรไม่ได้นอกจากสติปัฏฐานสีเท่านั้นในการปฏิบัตินะครับ <Yeah. S 1> การจเจริญสติปัฏฐานสีนี่เริ่มที่เราได้สวดกันมีสติและลึกรู้ที่กายเวทนาจิตนธรรมซึ่งถ้าว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านรวมๆเนี่ยเราก็บอกว่าให้มีสติและลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายหรือที่ใจนั่นแหละขอบเขตแห่งการให้สติมาเรียนรู้และลึกรู้ก็มีแค่กายกับใจ สิ่งที่อยู่นอกกายนอกใจนั้นอ่ะไม่ใช่สถานที่เรียนรู้การที่เรามาเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่กายจึงจะเห็นสภาวะแห่งความเป็นจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นทั้งที่กายและที่ใจล้วนปรากฏขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมดเลยนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ไตรนั้นคือสไตรนั้นคือแปลว่าสาม ลักคือลักษณะสประการอันได้แก่หนึ่งอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแปรปวนแล้วก็เปลี่ยนไปสองทุขังทุขังคือธรรมชาติที่ถูกดีบคั้นทรงอยู่สภาพเดิมนานๆ น, น, นั้นไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเขาไม่ใช่ตัวตนของเราและเขาเป็นใครเขาเป็นเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมาทเท่านั้นและมีความหมายหนึ่งคือบังคับบัญชาเขาไม่ได้ถ้าหากเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่กายหรือที่ใจก็ตามล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามด้วยด้วยหัวใจที่เริ่มต้นโดยการเจริญสติปัฏฐานนี่แหะครับจึงจะทำให้เราเห็นความจรงิงแห่งสัจจะหรือสภาวะอันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราก็มองว่าการเริ่มต้นเริ่มต้นที่ฝึกให้เกิดสติก่อน การปฏิบัติธรรมเริ่มต้นฝึกให้เกิดสติมิได้เริ่มต้นฝึกให้เกิดปัญญาหากสติไม่เกิดอย่าได้พูดถึงเรื่องสมาธิหากสติยังไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นยังไม่เกิดอย่าได้พูดถึงเรื่องปัญญาเลยทุกอย่างต้องเริ่มสตาร์ทด้วยสติฉะนั้นก็เลยมองเห็นว่าการเริ่มต้นโดยการเจริญสติปฐานสี่นั่นแหละคือหนทางเดียวเป็นหนทางอีก ไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วที่จะทำให้เราพ้นทึกได้อย่างแท้จริงการที่เรามีสตินะครับชีวิตโดยปกติบางทีเรามีสติสติที่ไปละลึกรู้สิ่งที่เป็นกุศลทั่วไปแต่การเจริญสติปฐานสี่ไม่ใช่เป็นสติที่ไปละลึกรู้กุศลทั่วไปแต่เป็นสติที่ละลึกรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจวงเล็บเท่านั้นสมมติว่ามีสติในการให้ทาน มีสติในการรักษาศีลมีสติในการเจริญสมถะตรงนั้นยังไม่จัดเข้าเป็นสติในด้านของวิปัสสนาฉะนั้นสติจึงแบ่งออกกว้างๆเป็นสองสติสติสิ่งที่ระลึกรู้อันเป็นเรื่องของอุศลสาธารณะกุศลทั่วๆไปกับสติที่ระลึกรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจอันนั้นเป็นสติคนละแบบคนละอย่างฉะนั้นเมื่อเราไประลึกรู้สติที่เป็นสาธารณะทั่วไปเนี่ย สติในการที่เราจะให้ทานเราก็จะมองว่าสิ่ง น, นี้ที่จะให้ทานเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้รับไหมพิจิดพิดจารณาแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจึงมอบสิ่ง น, นี้ให้กับผู้รับนั่นก็คือมีสติในการคิดพิจารณาในขณะเดียวกันในการให้ทานนั่นอ่ะก็ยังมีสติเพื่อที่จะรู้ว่าการที่เราเสียสละทรัพย์ออกไปหรือวัตถุเข้าของออกไปเนี่ยเพื่อยังประโยชน์อะไรยังประโยชน์คือลดความตนีที่เหนียว เรียกว่าลดกิเลสถึงความขี้เหนียวของตัวเองลงสติแบบนี้เป็นสติที่จะต้องมีบุคคลบุคคลตัวตนเราเขานี้เข้ามารองรับหรือแม้แต่การเจริญเมตตาก็ช่างการเจริญเมตตานี่ก็เป็นการที่เราจะต้องมีสติเช่นกันแต่เป็นสตลลิลักษณะที่ว่ามีบุคคลตัวตนเราเขาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในสติปฐาน4ี่เราเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นสติที่ระลึกรู้สภาวธรรม ซึ่งสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเข้ามาเกี่ยวข้องสติลกูกโลกเราที่มีกันอยู่เป็นสติที่มีตัวตนนะครับแต่เป็นฝ่ายกุศลนะครับสติที่ยังมีตัวตนบุคคลเราเขาอยู่แต่สติปัฏฐานที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยเป็นสติที่ไร้ตัวตนแต่เป็นเพียงแค่สภาวะธรรมอันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมชาติธรรมดาของเขานั่นเองเคลื่อนไหวมานานไม่ได้ทันเอ<า>่อเห็นไหมสติเราได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ว่าทุกคนมีสติอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นสติที่เป็นสติตามสมมติบัญญัติคือหมายความว่าสติที่ฝ่ายกุศลที่เป็นสมมติคือหมายถึงว่าเกี่ยวข้องด้วยตัวตนอยู่นะแต่สติปฐานที่เราพูดถึงในที่นี้เนี่ย เป็นสติประฐานที่เป็นจะว่าปรมามะก็สูงไปนะคือไม่มีตัวตนเป็นสติที่เป็นสภาวะธรรมซึ่งก็ฟังยากอย่างไรยันนะแต่ว่าในตัวเจริญสติเร า, าจะข้ามประเด็นนี้ไปว่าเป็นทางเดียวแน่นอนละอาจารย์ที่ยืนยันนะเป็นทางเดียวแน่นอนแต่ว่าเป็นทางที่จะนําไปสู่ตัวสภาวะแต่ตัวสติที่มีเกี่ยวข้องด้วยบุบคคลเช่นว่าเราให้ทานรักษาศีล ในการเจริญในตาเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยตัวตนอยู่ดิเกี่ยวข้องด้วยสมมุติอยู่ยังไม่เป็นสติปัฏฐานแบบผิวๆเพรางั้นถึงนะแต่นี่สติที่เป็นเผยวๆท า, ยวทางเดียวที่จะนําไปสู่ที่ว่าสัตว์ตนังวิสุทธิยาจะมาจะข้ามเรื่องทางเดียวไปเลยนะอาจารย์สุพีว่าทำเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายามาค่องใจตรงนี้ว่าความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเออคำว่าสัตว์ทั้งหลายมันรวมทัางสัตว์ในดิฉันสัตว์มนุษย์สัตว์ ทั่วไปหมดหรืออย่างไรรัชศัตรูเหล่า น, นั้นเขาจะไปรับรู้เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรตรงนี้อาจารย์ทําให้มาคล่องใจการเชื่อไขตวงนี้ตามนิสสกการพระอาจารย์ได้ให้อธิบายเรื่องสัตตานังวิสุตธิยาซึ่งเป็นอานิสง์ของสติปัฏฐานนะครับซึ่งสติปัฏฐานเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทาง ที่เป็นประตูสู่อมตะหรือว่านิพพานพี่ว่ากันนะทีนี้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสติปัฏฐานก็คือผู้ที่เห็นทุกโทษภัยของการเวียนว่ายใจเกิดหรือว่าทุกโทษภัยของกิเลสตัณหาอุปาทานที่ก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะในเบื้องต้นของการแสดงธรรมะพระพุทธเจ้าจึงตรัส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งคํานี้ก็มีความหมายลึกซึ้งอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าถ้าโดยปกติคําว่าภิกขุเนี่ยความหมายหลักๆเนี่ยความหมายก็มีเยอะแต่ว่าเอาหลักๆ ก, ก็มีสองประการหลักๆนะอันที่หนึ่งก็คือภิกข u โดยเศพศภาวะอย่างพระอาจารย์เนี่ยเป็นภิกษุโดยศีลโดยที่ท่านได้ปฏิญญาตนเข้าไปว่า เป็นสมณะสัพเพบุตรเนี่ยอันนี้เป็นภิกษุโดยที่เป็นคําปฏิญญานีส่วนอีกอันหนึ่งเป็นภิกษุโดยข้อปฏิบัติภิกษุโดยข้อปฏิบัติคํานั้นคําว่าภิกขุอันนั้นหมายถึงผู้ที่เห็นโทษภัยของวัตถะของการเวียนว่ายตายเกิดโดยกําลังของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ก่อให้เกิดกรรมเกิดวิบาก เป็นวงจรหมุนวนกันคนที่เห็นทุกโทศภัยนี้ก็จะเมื่อได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าก็จะทราบว่าอุปทานขันหานี้มันเป็นทุกเหตุเกิดทุกก็คือตัณหาความดับทุกขก็คือนิพพานหนทางก็ปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความดับทุกขคืออริยมรรคมีองค์แปดก็เข้าใจชัดกรอบอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสติปัฏฐานเนี่ยก็คือคนอย่างนี้แหละ คนที่เห็นทุกโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดคือคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นโดยหลักการจริงๆแล้วในหลักของอริยมรรคมีองแปหรือว่าหลักของการปฏิบัติตัวหลักตัวหลักการระดับหลักการจริงๆก็เลยนำหน้าด้วยปัญญาคือมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะรู้ว่าโลกนี้มันทุกข์อุปทานขันหามันทุกข์และกคิดจะออกจากมัน แต่ว่าแน่นอนแหละถึงจะได้ฟังแล้วเราก็ยังออกไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันยังมีกำลังมากก็เลยต้องอาศัยกองหนุนหลายๆอย่างก็คือต้องมีพื้นฐานที่ดีคือศีลและการฝึกจิตที่เหมาะสมถูกต้องให้มีกำลังให้ชำระจิตได้ก็คือฝ่ายสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอย่างนี้นะ อันนี้ตัวทางจริงๆก็คืออริยมรรคมีองค์แปสัมมาสติตัวสติที่เราพูดถึงเป็นสติปัฏฐานสีนี่ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในในอริยมรรคมีองค์แปดนี่นะอันนี้ก็คือพูดแบบเป็นหลักการว่าคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากสติปัฏฐานนี้ก็คือคนที่เข้าใจเรื่องสัจธรรมเข้าใจว่าโลกนี้มันทุกข์และอยากจะออก ส่วนคนที่ยังไม่อยากนี่ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยอยู่แต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เป็นไปตามลําดับนะเพราะแน่นอนทุกคนย่อมไม่อยากจะเป็นทุกข์เริ่มตั้งแต่ไม่อยากเป็นทุกข์ในอบายเนี่ยก็ค่อยๆพ้นออกมาได้จนกระทั่งเห็นว่าแม้แต่โลกมนุษย์เราหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดมันก็ทุกข์หมดก็จะได้ออกจริงต่อไปนะอย่างนี้ทีนี้กลับมาพูดถึง อานิสงของสติปัฏฐานที่พระอาจารย์ท่านได้ให้ผมได้อธิบายก็คือสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เนื่องจากสัตว์ทั้งหลายนี่ก็มีประกอบด้วยกายและจิตอันนี้พูดแบบย่อๆที่สัตว์เศร้าหมองก็เพราะจิตมันเศร้าหมองสัตว์บริสุทธิ์ก็เพราะจิตบริสุทธิ์ทีนี้จิตของสัตว์ทั้งหลายนี่ได้สังสมกิเลสต่างๆมาเป็นสันดาน ภาษาไทยเราเรียกว่าสันดานภาษาบาลีก็คือสันตานะเป็นการสืบต่อการสืบต่อกิเลสเหล่านั้นก็เป็นความเคยชินเรียกว่าอนุสัยถึงแม้ไม่มีไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็พร้อมจะเกิดขึ้นตามความเคยชินทีนี้หนทางอันอื่นเนี่ยมันแค่ข่มกิเลสได้บ้างหรือว่าป้องกันกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าพอกิเลสเกิดขึ้นมันก็แรงแรงเหมือนเดิมนะก็ยังมี กำลังมากเหมือนเดิมมันไม่อาจจะทําลายกิเลสได้จริงนะ อ, นอันอื่นๆเช่นไปทําสมาธิหรือทําบุญทําอะไรต่อไม่อะไรตอนทําบุญหรือตอนฟังธรรมตอนอะไรต่างๆอย่างพวกท่านทั้งหลายฟังธรรมนี้ก็ทุกท่านก็ไม่มีกิเลสไม่มีความโกรธไม่มีความหงุดหงิดราคาญหรือบางท่านอาจจะมีบ้างแต่ก็ยังน้อยอยู่นะบางท่านไปทําบุญก็เป็นคนดีกันแต่เวลากิเลส เ, เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิม คามรุนแรงบางทีก็แรงกว่าเดิมก็มีอันนี้คือการกระทําอย่างอื่นๆนี้การทําบุญก็เป็นบุญการทําความดีก็เป็นความดีแต่ดีเหล่านั้นมันไม่อาจจะละกิเลสได้นี่คือกิเลสก็ส่วนกิเลสดีก็ส่วนดีมันก็คนละส่วนกันไปแต่มีหนทางอยู่อันหนึ่งที่เมื่อปฏิบัติเข้ามาแล้วสามารถทําให้กิเลสลดลงได้ทําให้ว่าถ้าปฏิบัติอันนี้กิเลสที่มันเคยแรงมันก็จะลดลงที่มันเคยเกิดบ่อยมันก็จะ ลดระดับหรือลดความบ่อยลงไปแล้วแต่เดิมที่คิดจะไปทําทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้จนต้องอาศัยหีริโอตตะปะมาคอยขม่มเอาไว้ต้องมีการงดการเว้นต่อไปถ้าฝึกโดยทางนี้แม้แต่ความคิดก็จะไม่มีฉะนั้นจึงไม่ต้องพยายามที่จะไปละอะไรอีกต่อไปเพราะมันขึ้นเป็นชั้นๆไปจนกระทั่งแม้ความคิดที่จะเบียดเบียนจะเอาอะไรของใครมันก็ไม่มีไปเรื่อยๆอย่างนี้จึง เป็นทางอันเดียวที่ทําให้สัตว์นั้นหมดจดจากกิเลสได้จริงๆก็คือสติปัฏฐานอันนีนะ้เราทั้งหลายก็คงจะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องอะไรกันบ้างตามสมควรเข้าใจการทําสมาธิถ้าทําสมาธิโดยแบบอื่นๆตามแบบภายนอกมันก็เป็นของดีเหมือนกันแต่ว่าสมาธิก็ทําให้เกิดความสงบสงบนะก็เป็นส่วนของความดีเป็นส่วนของสมาธิไป แต่กิเลสนี่มันไม่ได้ลดกำลังของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอได้โอกาสได้ช่องได้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาอีกนะก็ต้องอาศัยการข่มการมีการระมัดระวังการสำรวมอยู่เสมอทีเดียวแต่ถ้ามาฝึกตามแบบสติปัฏฐานแน่นอนเบื้องต้นเราต้องสำรวมระวังมีปาติโมขสงวนมีอิริโอตปะมีการงดการเว้นทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเมื่อฝึกไปถึงระดับหนึ่ง ถึงระดับหนึ่งกิเลสต่างๆมันก็จะถูกเผาลงไปนะฉะนั้นคนฝึกสติปัะฐานถ้าฝึกตามแรกๆจึงจะเป็นทุกข์หรือจิตใจจะรู้สึกรุ่มร้อนโดยธรรมชาติเพราะว่าอันนั้นเป็นความเพียรที่กำลังทำเพื่อเผากิเลสบางอย่างนะพอเผาบางอย่างช่วงแรกๆนี่เนื่องจากกิเลสมันเกิดกับจิตเมื่อกิเลสถูกเผาจิตก็ต้องเร่าร้อนแล้วก็กระวนกระวายด้วย ถ้ามีความอดทนเพียงพอความอดทนอ น, นั้นก็จะเป็นตบะหรือเครื่องเผากิเลสที่ยอดเยี่ยมถ้าใครอดทนได้พอเช่นอดทนได้สองวันสามวันหรือได้เท่าที่กำหนดเอาไว้กิเลสเหล่านั้นก็จะลดระดับลงมานะก็จะเหลืออันที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปตามลำดับอันห ย, ยาบๆที่เคยมีก็จะลดลงอันนี้เป็นธรรมชาติของสติปัฏฐานถ้าใครทาถึงจุดของมันหรือว่า ได้ทำความเพียรถึงขนาดของมันมันก็จะเผากิเลสที่เคยหยาบหย่านั้นลดลงมันจะกลับไปอย่างเดิมอีกไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาตินะจนกระทั่งถ้าสติอันนี้ไปรวมกับคนอื่นเขาก็คือไปรวมกับมรรองค์อื่นๆประชุมรวมกันแน่นอนเราฝึกสติตามหลักสติปัฏฐานนี้ไม่ใช่หมายเขาว่าได้สติอย่างเดียว เพราะกระบวนการของการฝึกสติต้องอาศัยความเพียรก็คืออาตาปัปีเพียรเผากิเลสข้อนี้เป็นสัมมาวายมะนะแล้วก็ต้องอาศัยสัมปชัญญะคือความรู้ข้อนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาต้องอาศัยพื้นฐานคือศีลทั้งหมดก็คือองค์มรรคนั่นแหละมันรวมกันอยู่เพียงแต่ว่าในการเน้นเบื้องต้นเนี่ยท่านเน้นมาที่ตัวสติก่อนเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่อุปการะอันอื่นมากอย่างนี้นะครับ อันนี้ทางนี้ก็เลยมีอ น, นิสงส์ว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์คือมันสามารถเผาทำลายกิเลสได้นะพระพุทธเจ้าจึงเตือนภิกษุทั้งหลายให้ไปเพียรเพ่งเผากิเลสเช่นไปใต้ต้นไม้แล้วก็ทำสติ ป, ปัฏฐานไว้ฝึกสติเดินจงกรมกลับไปกลับมาด้วยการเดินจงกรมแค่นั้นถ้าอดทนทำไปกิเลสจะลดลงพอกลับเข้ามาสู่บ้านหรือกลับเข้ามาสู่ที่ต่างๆกิเลสก็จะ ไม่เกิดเหมือนเดิมมันจะแปลกกว่าอันอื่นๆถ้าอันอื่นๆ อ, อย่างเช่นว่าจะไปทําสมาธิอย่างเดียวเราเข้าไปหนีเข้าไปในถ้ำไปทําสมาธินั่งเยือนั่งพอออกมาถ้ากระทบอารมณ์ที่ตรงกันข้ามกิเลสก็ฟุ้งขึ้นมาเหมือนเดิมเนื่องจากกิเลสมันไม่ได้ถูกเผาไปนะฉะนั้นโดยธรรมชาติของการฝึกสติปัฏฐานตอนแรกๆนี่พวกพญามา์ก็ดีอะไรก็ดีพระเจ้าจะส่งลูกน้องเข้ามาคือนิวรณ์ต่างๆ ถ้าคนมีความอดทนมีขันติทำไปถึงแม้จะขี้เกียจจะเบื่อจะเหนีจะไม่อยากทำก็ทำไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเผาพวกนี้ค่อยๆไปเหมือนการนั่งการอะไราต่างๆเวลาที่เบื่ออะไรต่างๆแล้วก็ทาไปเจ็บปวดหลังอะไรก็ทำไปเรื่อยพอทาถ้าฝึกตามหลักของสปปติปัฏฐานทำด้วยความรู้ต่างๆเหล่านี้พอถึงจุดของมันกิเลสมันจะถูกเผา เนี่มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมารวมกับองค์มรรคพวกกิเลสก็จะถูกเผาเป็นชั้นๆไปแล้วก็จะไม่เกิดอีกอย่างนี้ครับอ่าอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็ก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เศร้าหมองก็เพราะจิตมันเศร้าหมองสัตว์บริสุทธิ์ก็เพราะจิตบริสุธทธิ์ทีนี้ที่พระองค์ใช้คําว่าสัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าการที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่ายังไม่ได้เดินทางนี้ ทีนี้จะบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีหรือแม้สัตว์อบายก็ดีแต่ว่าสัตว์อบายนี่มาปฏิบัติทางนี้ยังไม่ได้นะต้องรอหมดกังซะก่อนอะไรซะก่อนขึ้นมาเป็นมนุษย์ก่อนนะทุกสัตว์เลยที่จะบรรลุได้ก็ต้องอาศัยทางนี้ที่จะหมดจดจากกิเลสได้ต้องอาศัยทางนี้นะทางนี้ท่านจึงยกย่องสังเสริญในแง่นี้ก็เพื่อให้เข้าใจชัดว่า ทางที่ประเสริฐหรือว่าดีที่สุดนี่ก็คือทางนี้ไม่ใช่เป็นเทวดาดีที่สุดหรือว่าเป็นพรหมดีที่สุดเพราะถึงแม้เทวดาจะเป็นคนดีพรหมจะเป็นผู้สงบแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยกิเลสก็ขึ้นมาได้อีกนะส่วนอันนี้ทางอันเนี้ยสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นทางที่ทำให้กิเลสมันหมดจริงๆลดได้จริงอะไรได้จริงพระพุทธเจ้าก็เลยใช้คำว่า เือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์นะตามบาลีก็เป็นสัตวานันวิสุทธิยาตรงนี้น่าคิดนะเดี๋ยวมาจะขอสรุปริลังอีกทีนึงคือ <c oughs> ในสนามปฏิบัติเนี่ยนอกจากที่เรามีโดยทั่วไปจริเดี๋ยวนี้มีสนามปฏิบัติสําหรับสตรีโดยเฉพาะนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เปิดอบรมโดยทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้ป ร, รากฏว่าผู้ที่เข้าปฏิบัติมากที่สุดคือโยมผู้หญิง งานนี้ได้ขาวว่ามีผู้ชายแค่ส4คนใช่ไหมมาผู้หญิงทั้งสิกว่าคนทันนั้นเองก็เดี๋ยวนี้มีสำนักผู้หญิงมากขึ้นนะที่เป็นนาโดยผู้หญิงโดยเฉพาะทางราช บ, บุรีนะฮะเจ้าสำนักส่วนใหญ่เป็นเม่ชีหรือผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็ที่อสมมาตาก็เช่นเดียวกันนะเป็นสถานที่ปฏิบัติอีกแห่งหนงอามาก็เลยบอกว่าต่อไปเนความสัมพันธ์ในการที่เราใช้สนามบางทีอาจจะใช้ที่นี่บ้างที่นครนายกบ้างที่อาสมมาตาบ้าง ซึ่งลักษณะที่อสุ ม, มาตายมาเองก็ออยังไม่แจ้งว่ามีลักษณะอย่างไรซึ่งแม่เล็กซึ่งได้เคยฝึกปฏิบัติที่แพทยแสงเทียนเหมือนกันมาถึงณจุดนี้แล้วเนี่ยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวที่อสุ ม, มาตา ย, ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่งเหมือนเดิมอยู่คนอยากจะทราบความเป็นไปรนกระผมสการพระอาจารย์ค่ะธรมสวัสดีทุกท่านค่ะก็เมื่กอกี้ที่พระอาจารย์ถามว่า ที่อสมมตามีการปฏิบัติธรรมแบบไหนนะคะอย่างที่เมื่อกี้ทุกท่านได้พูดว่ า, าพระพุทธเจ้าท่านเสนๆว่าเอกายน ม, มักย์ทางที่จะไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็มีทางเดียวคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นของที่อสมมตาก็ดำเนินตามพระพุทธพจน์นี่แหละค่ะเราก็เรียนเชิญวิทยากร ทั้งผู้ชํานาญทางด้านกายานุปัสสนาอย่างเช่นสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้สึกจะมากกว่าเพื่อนเลพระอาจารย์คะเพราะว่าเรามีสายทวดองคอสของทวดมเนี่ยเป็นคอสของสายหลงพ่อเทียนทั้งนั้ น, นจะมากกว่าเพื่อนแนวสมรติแนวสมตารู้สึกจะมากกว่าเพื่อนแล้วก็เวทานานุปัสสนาเนี่ยเนื่องจากส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อย ชอบนั่งสมาธิก็ยังกลัวๆสายกลัวอินข้าอยู่นะ ย, าานยังไม่ได้เชิญใครมาก็กะว่าเทีนี้นก็จะปรึกษาเรื่อมของท่านเนี่ยนะึเป็ น, ปนที่ปรึกษาของเราว่า อ, าอย่า ง, งเราจะต้องเอาอคติส่วนตัวออกนะเพราะว่าที่อาสมมาตาตอนนี้เป็นมุนิทิทีนะคะเราก็อยากจะให้มีทุกสายถึงแม้ว่าตัวเองส่วนตัวไม่ชอบเพระนั่งไม่เก่งนะแต่ว่าชอบเดือดันนี้ก็เลยอ่ายังไม่ได้เชิญใครมา แต่ว่าจิตตานุปัสนาธทำนุปัสนาอันนี้ก็ยันเซบางคน เ, ออเขาพูดสมัยก่อนพูดว่าสายดูจิตอย่างที่เรียนเชิญอาจารย์สุภีไประยะแรกๆปีห้นึ่งเนี่ยเรก็เขียนว่ า, เ, าเทคนิคสติปัฏฐานของอาจารย์ก็คือสายดูจิตแต่จริงๆเนี่ยพอระยะหลังเนี่ยไม่ว่าจะครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไล่ตนากายานุปัสนาไปไปก่อน นะไม่ว่าจะเป็นกายาหรือเวทนาดูจิตตามันก็ไปลงธรรมานุปัสสนาทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจตรงจุดนี้แลงนั้นเราก็จะไม่เรียกแบ่งะวะ่าคนที่สายดูจิตนะคนที่สายดูกายอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ า, าดูอะไรก็ตามถ้าดูมันชัดแจ้งแล้วมันก็ทะลุถึงกันหมดน ะ, ะเราก็เลยเชิญทุกสายนะพะอาจารย์นะแต่ว่าที่อาสมบตาจะพิเศษอย่างหนึง่งคือเนื่องจากว่ามีป่าเป็นป่าสวย เป็นป่าที่ไม่ถึงกับป่าดงดิบนะัเนะไม่มีเสือนะฮะแต่ก็จะมีอุปกรณ์การฝึกคืองูพิษมีป่องอะไรอย่างนี้นะอ่ตาตาข่าก็ยังมีอยู่ก็เราก็เลยฝึกผู้หญิงที่เราเรียกว่าสาวิกาจะมีข้อพิเศษปีละสองครั้งให้ผู้หญิงไปปักกรดนอนในป่านะแล้วก็คื่นสิบชันวันละมือ้อ้วก็ออกมา บินทบาทบางทีก็บิณทบาทในอาสมมาตาบางวันแล้วก็พาไปบินทบาทบางน้าเขียวบ้างบางวันก็ในหมู่บ้านใกล้ๆของเราบ้างก็ปรากฏว่าญาติธรรมก็ให้การต้อนรับอย่างดีถามด้วยเมื่อไหร่จะมาอีกอะไรเนี่ยนะฮะก็ทําให้เวลาเล่าอารมณ์กันเนี่ยคนที่เป็นสามิกาเนี่ยก็จะพูดเลยว่าเวลาเข้าไปรับบาดจากชาวบ้านที่เขาตื่นตั้ต่ตีห้ามารอใส่บาดเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่ามีความปิตินะ แล้วก็จะทําให้เกิดสํานึกสําเนียดในใจว่าเราไนี่ยดีพอที่ว่าคนเข้ามาใส่บานให้เราเรามีพอหรืรอยังนะคะก็จะเป็นแรงกระตุ้นทําให้เรากลับไปทําความดีนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เห็นนะคะแล้วก็ผู้หญิงเราเนี่ยสิ่งที่จะปฏิบัติทำสู้ผู้ชายไม่ได้มีอยู่สองอย่างก็งหนึ่งเป็นคนติดเรื่องกิน นะคนะใช่ไหมคะพวกเวรบาลทั้งหลายเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือติดเรื่องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นทุดดงเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะคนหนึ่งนอนก็นอนในกรดนะบางคนเคยสบายส่วนมากคนที่มาเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านนะโดยเฉลีย่ยแล้วปริยาตรีโทรเอกนั่นแหละที่มาเพระเาะฉะนั้นเคยอยู่บ้านสบายสบา ย, บายเนาะบางคนก็นอนท่องเอร์ก็ต้องมานอนการดินกินการายนี่แหละนะแล้วก็ เคยทานอาหารเช้ากับมันเย็นบางทีก็มีกลางคืนอีอะไรเงี้ยก็มาทานอาหารหนึ่งมือถือสิ้นสิบไม่จักเงินแล้วก็อย่างน้อห้าวันนี้จะมีความรู้สึกว่าเออคุณไม่มีเงินนี่มันสบายนะแล้วก็มือถือมือถือนี่เรารีบหมดนะเมือกาแฟแต็งเทียนธรรมจาร์เวลาไปดิคุณแม่พี่กุลรีบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีความรู้สึกเอออยู่ได้นะชีวิตไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้ไม่ต้องมีมือถือก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็ความกลัวผู้ญกลัวมากนะคะเราก็เลยใช้ป่าเป็นอุปกรณ์แล้วก็จะพ า, าเดินปฏิบัติธรรมกลางคืนบ้างแล้วก็ทุกคนก็ทราบว่าเป็นป่าป่ามันก็ต้องมีงูเนาะในการเดินทุกย่างก้าวเนี่ยธรรมชาติคือป่าเขาหรือว่าอุปกรณ์การฝึกก็จะทําให้สติของแต่ละท่านเนี่ยอยู่กับตัวมากขึ้นไม่ต้องคอยบอกว่าเอา้า สติรู้สึกตัวนะไม่ต้องบอกนะฮะเขาจะรู้สึกตัวเองเพราะเราบอกว่าทุกย่างก้าวของคุณเนี่ยถ้าคุณไปเหยียบงูเขาก็มีสิทธิ์กัดคุณนะแล้วงูเราไม่ใช่งูธรรมดานะเป็นงูทับทางเนี่ยแปลว่าอะไรงูทับทางแปลว่าเมื่อกัดแล้วไม่ต้องไปส่งโรงพยาบาลตายตรงทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ระวังกันอย่างดีนะและทุกคนสรุปเลยฮะอาจารย์ว่ากลางคืนเนี่ยฝึกได้ดีมากนะและในป่านี่ฝึกได้ดีมากก็ถึงได้เห็น พุทธพจน์ ท, ที่บอกว่าทิกษศทั้งหลายนั่นป่านะั่นป่าช้าอะไรเงี้ยนะเรียนว่างนะมันเป็นความจริงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเพราะเราเ อ, อ, อาศรมมันแตาก็เปิดมาสิบหกปีเท่ากับเท่ากับเท่ากันเนี่ยนะคะแต่ว่าเปิดมาในการฝ <c oughs> ึกปฏิบัติเราก็พบว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยบางคนเก่งมากเลยในกรรมฐานในห้องนะผู้เรื่องสติเนี่ยเยี่ยมมากเลยเรื่องตัวรู้เรื่องนั้นพอเก่งมากก็บอก มาเกียขนาดนี้ละไปอยู่ป่ากันนะพอบอกไปอยู่ป่านั้นไม่เอาเอลยใจเราคุณเหมือมนเกเมกีที่เล่าไปฟังนะอบอกเมื่อกี้คุยอ่ะโอ้รูู้เรื่องดีหมดเลยทุกอย่างอะอะรู้ดีแต่ไปเดินจงกรมหนึ่งรอบไปคลางคืนไม่กล้าไปอะไรนี้เป็นตัวรู้แต่ว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นที่อสมมตาเนี่ยจะเป็นที่ เ, เลื่อเฟื่อให้ผู้หญิงมีที่ยืนาะอย่างที่ ปักุงชัยนนี้นครราชสีมาเนี่ยมีวัดมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะสองพันแดวัดไม่รวมจำนักสงฆ์นะจำนักสงอีกห้าว่าก่าแห่งแต่มีที่เอื้อเฟื้อให้ผู้หญิงเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมเหมือนพระนะคือไม่ต้องมาทำงานเราจะเห็นความน่าสงสารของผู้หญิงอย่างนะถ้าเราอยู่ตามวัดจะเห็นว่าผู้หญิงที่อยู่วัดโดยเฉพาะแม่ชีนะคะทำงานทั้งวันเลยอ่ะหนะิ่งวัดใหญ่ใ่อย่างเด่นเคยอยู่วัดจะมี พระมีเนมีบาสุเบอร์สประมาณสี่ห้าหร้อยคนนี่ปีสามต้องออกไปทําครัวแหละว่าจะเสร็จบ่ายสามแล้จะเอาแรงที่ไหนมาปฏิบัตินะ่ะมันก็เหนื่อยแล้วแบบเนี้ยก็ตอนนั้นก็ตั้งอธิษฐานในใจว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีวาสนาบารมีเราจะสร้างสํานักขึ้นมาที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยมีที่ยืนเพราะผู้หญิงก็พ้นทุกข์ได้เหมือนผู้ชายนะคะเท่ากันเลยไม่ได้มันมีอะไรแต่ว่าเราก็จะมีเข้าด้อยกว่าอย่างที่ล่างหวัว น, นะคะ ว่าก็เราฝึกได้ของอย่างนี้มันทการฝึกเพราะฉะนั้นก็ที่อาศมตาก็ยังเป็นสถานที่ให้ผู้หญิงมีที่ปฏิบัติด้วยความปลอดภัยพอสมควรค่ะมาขอสรุปในรอบแรกนี้ก่อนว่าในประเด็นของอาจารย์สุภีที่มาพยายามถา ม, มที่ว่า เ, เมื่อเจริญสติเพื่อความบริสุดหมโจุย์ของสัตว์ทั้งหลาย หมายถึงสัตว์ทุกประเภทหรือเปล่าสัตว์ทั่วโลกหรือเปล่ามาก็เลยในฐานะที่ว่าได้ได้ศึกษาปฏิบัติเราก็มวาวิเคราะห์ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นสัตว์วิเศษาันเนี่ยมันจะบริสุทธิ์อย่างไรดังนั้นในความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคงจะมีในแยะอะไรที่ที่สำคัญนะเพราะในตัวของเราเนี่ยมันมีความเป็นสัตว์ติดอยู่ในจิตใจของคนทุกคน เราหมดจะพัฒนาการมาถึงวันนี้นะเราผ่านความเป็นสัตว์มาทุกสัตว์เลยนะตั้แต่หลายล้านปีนู้นนะความเป็นิสัตว์อย่างนีิดๆหน่อยอยู่ในใจของเราหมดนั้นในความพุทธองค์ใช้คํำว่าสัตวานังนั้นถูกที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเราผ่านความเป็นทุสัตว์แต่สัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงสุดถึง ห, หมายความว่าจะเป็นอะไรก็ได้เป็นสัตว์ที่ดีที่สุดก็ได้เป็นสัตว์ที่ชั่วที่สุดก็ได้อยู่ในตัวเราหมดเลยดังนั้นเมื่อเข้าไปสู่ความพ้นกับสัตว์เนี่ย ตั้งแต่ว่าอย่างนรกสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์รุกลายสัตว์ดิบดฉานสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อินพรมเนี่ยเป็นสัตว์หมดแต่พอไปขึ้นถึงอริยบุคคลเนี่ยพ้นความเป็นสัตว์เพราะงั้นพ้นความเป็นสัตว์ดังนั้นมาก็มาวิเคราะห์ว่าสัตว์แปลว่าข้องอย่างโพธิสัตว์เนี่ยโพธิสัตว์แปลว่าผู้ยังข้องในความรู้อยู่โพธิเป็นความรู้โพธิสัตว์สัตว์แปลว่าข้องถ้าจิตของเรายังข้องอยู่ในเรื่องอะไรข้องอยู่ในเรื่องโตล โกรธมากๆก็เป็นสัตว์ตรนรกจิตของเรายัางคล่องอยู่ในเรื่องโลภมากๆก็เป็นสัตว์เปรตจิตของเราคล่องอยู่ในอำนาจยศธาบรรดาศัตว์มากๆก็เป็นสัตว์อสูรกายถ้าจิตของเรายังคล่องในเรื่องของความหลงสนุกสนานในเรื่องราวต่างๆก็เป็นสัตว์เบลชานถ้าจิตของเรายัางคล่องในเรื่องความสุขบ้างความทุกข์บ้างเป็นสัตว์มนุษย์ถ้าจิตเราคล่องในเรื่องความสุขสนุกสนาใ น, ในในอาย ต, ตนะทั้ง5ทั้ง6อยู่ก็เป็นสัตว์เทวดา ถ้าจิตเราคล้อในหลงความสงบลึกขึ้นไปเป็นสัตว์พรมพอไปถึงขึ้นจากนั้นไปท่านใช้ควาว่าไม่ใช้คำ ว, ว่า human being หรือ great being หรือ diving แต่เราไม่ใช้ n o b o แต่รนนิ่นี่ไม่ค่อยมีนี่ไม่ใช่ noble one ใช้วันแล้ ว, วเนี่ยพ้นจากความเป็นสัตว์เป็น n o b l one ก็เรียกเป็นอริยะสัตว์นะดังนั้นเองไอ้ความเป็นสัตว์คือหมายความเราต้องชาระ จิตของเราที่ไปคล้องในอารมณ์ต่างๆที่กำมาคล้องในความโลภความโกรธความหลงคล้องในความดีความชั่วเนี่ยออกให้หมดให้เหลือแต่จิตที่มันเป็นพ้นจากอดีตคําว่าอริยมาจากพ้นจากอดีตดังนั้นในความเศร้าหมองและอารมณ์ต่างๆมันเป็นอรีตของเราถ้าพ้นจากอดีตไปได้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นอดีตเป็นสัตว์ได้เรียกว่าเป็นผู้ห่างไกลจากอดีตอริยะนี่เลยห่างไกลจากอดีตไปจากกิเลสหรือไปจากอดีตของเรานะอันนี้สรุปในประเด็นนี้นะ ทีนเดี๋ยวมันจะไม่จบในหลักการ5้าประการวันนี้แค่ได้สักสองอย่างก็ยังดีนอาจารย์พิยุทธเพรามามาคล้องอยู่ที่ท่ว่าเททุกขโทมน า, านัสสานสมติกรรมายะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความสูงและความลําไรลําพันธ์นที่ในการเจริญสติเราว่าเพื่อความก้าวล่วงหรือเพื่อความพ้นไปจากความโศกเศร้าที่ไรลําพันธ์หือความคลั่งควรวญอะไรต่างๆเนี่ย ตัวสติที่เราเจริญเนี่ยมันจะไปทําให้พ้นก้าวล่วงอารมณ์นี้ได้อย่างไรเนี่ยซึ่งมาได้ฟังจากไซีดีของอาจารย์พิริยุทธ์หลายๆตอนนะแต่ว่ามีบางตอนที่ชัดเจนซึ่งเข้าใจว่าอาจารย์พิริยุทธ์ก็คงจะได้ไข้คุครเรื่องนี้พอสมควรว่าเจริญสติปัฏฐานที่มันเป็นสภาวะแต่ว่าไม่ใช่สติปัฏฐานที่เป็นสมมุติกละกันนะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะแต่สติปัฏฐานที่เป็นสภาวะประมัทิติทาให้เรา เก้าวพ้นหรือก้าวล่วมเสียซึ่งความสุกเศร้าที่ไรรำพันธ์เนี่ยลักษณะอย่างเนี้อาจารย์ถ้าคนที่เขาไม่ได้เจริญสติแบบที่เป็นสภาวะเลยเนี่ยหมายความบุคคลเหล่านี้จะต้องอยู่ในห่วงของความสุกเศร้าทพิไรลรลำพันธ์ตลอดไปหรืออย่างไรอาจารย์อันนี้อยากจะทราบความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับจริงๆคำถามของพระอาจารย์นี่ลึกซึ้งเนาะลึกซึ้งสําหรับคนที่ที่ลึกซึ้งจะต้องเป็นผู้ตอบ แต่ผมก็ไม่ค่อยลึกซึ้งสักเท่าไหร่นะเพียงแต่บอกตอบตามความเข้าใจของตัวเองก็แล้วกันนะครับการที่เรามองว่าเรามีสติในการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเราจะต้องมีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเป็นอารมณ์สภาวะธรรมเหล่านั้นแหละที่เราไปเห็นบ่อยๆแล้วเห็นเขาแสดงไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้การที่เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆนี่เอง จึงจะสามารถลักความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่ตัวตนจึงจะสามารถลักความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายทั้งใจได้แต่พราะว่าเราไม่เห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์นั่นเองจึงยึดถือหรือเห็นผิดว่าเป็นตัวชั้นเป็นของชั้นอยู่ร่างไปการที่เป็นตัวเราของเรานั่นแหละสังเกตนะครับเวลาเขาชมชมใครครับชมชั้นเวลาด่าใครด่าชั้น มันมีฉันหรือว่ามีตัวตนแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยเข้าไปรองรับอยู่เวลาชมใจก็ฟูไครฟูก็ชั้นฟูนั่นแหละเวลาด่าใจไครแฟดชั้นก็แฟดนั่นแหละมันก็มีตัวตนอัตตาตัวตนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเหตุเพราะว่าเราไม่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจหากเราหมั่นเราเรียนรู้กายใจอยู่บ่อยๆเราจะเห็นว่าสรรพสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความฟุ้งซ่านก็ดีหรือความสงบก็ดีท่านสังเกตนะครับถ้าผมจะตั้งคําถามว่า ความสงบนี้ดีไหมครับดีความฟุ้งซ่านดีไหมครับไม่ดีสังเกตไหมครับในฐานะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเรามักจะมองว่าความสงบเนี่ยดีแล้วความฟุ้งซ่านไม่ดีถ้าถามว่าความสงบความสงบนี้เกิดแล้วดับไหมครับดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับไหมครับับแสดงว่าอาจารย์สงบกับอาจารย์ฟุ้งซ่านสอนธรรมะเท่าเทียมกันคือสอนเรื่องไตรลักษณ์ใช่ไหยครับ ฉะนั้นทําไมจึงรักอาจารย์สงบแล้วทําไมจึงเกลียดอาจารย์ฟุ้งซ่านทั้งทั้งที่อาจารย์สองท่านเนี่ยเข้าเป็นแค่สภาวะอาการฟุ้งซ่านเป็นอาการหนึ่งของจิตอาการสงบก็คืออาการหนึ่งของจิตเมื่อมันมีเหตุจะสงบมันก็จะสงบเมื่อมีเหตุจะฟุ้งซ่านมันก็จะฟุ้งซ่านถ้าหากว่าเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยเราจะไม่หลงยินดียินร้ายดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไ้ว่า เมื่อเรารู้สภาวะธรรมใดๆก็ตามสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเขาช่างท่านใช้คําว่ากําจัดอภิชาและโทมนัสคําว่าอภิชาแปลว่าหลงยินดีคําว่าโทมนัสก็คือยินร้ายพระองค์บอกว่าอย่าหลงยินดีอย่าหลงยินร้ายกับสิ่งใดเลยนะถามว่าทําไมไม่ให้หลงยินดียินร้ายเพราะทุกสิ่งอ่ะไม่ว่าสงบสุขหรือฟุ้งสร้านหรือเบื่อหรือเซ็งก็สุดแท้แต่ทุกอย่างเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปหมดเลยการที่เรารู้แบบนี้ละครับเราก็จะเห็นความจริงว่า ตอนแรกเราก็เข้าใจผิดตอนแรกเราก็เห็นผิดว่าเป็นตัวตนแท้ที่จริงแล้วตัวตนไม่มีมีเพียงแค่สภ า, สภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราสมมุติว่ามันดีแล้วก็มีอีกสภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราสมมุติให้มันว่ามันไม่ดีแต่ทั้งสองสิ่งเนี่ยจะดีหรือไม่ดีมันเกิดเพราะมีเหตุแล้วมันก็ดับเพราะมันหมดเหตุหมดเลยเห็นบ่อยๆครั้งเข้าจึงสา ม, มารถลาความเห็นผิดและความยึดติดได้ แต่ทุกคนส่วนใหญ่ในโลกมนุษย์นี้ส่วนใหญ่เราไม่เห็นเช่นนั้นเราเห็นเป็นตัวตนของเราเมื่อมีเห็นตัวตนของเราครับพอลูกเราตายก็ลูกเราตายลูกก็เป็นของเราเราก็ทุกแม่เราตายถูกไหมครับก็แม่ก็ของเราเราไม่คงเราไม่ได้มอกว่าสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมแห่งรูปธรรมหรือนามธรรมาทเท่านั้นไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเลย แต่ที่มีน่มีเพราะสมมุติเอาถ้าเราจะสังเกต จ, จุดหนึ่งนะครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรงสูงสอนว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยประกอบด้วยขันห้าขันห้าอันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใช่ครับการที่พระองค์ทรงแยกแบบนี้ให้เห็นเนี่ยเพื่อให้เกิดการไถ่ถอนความเห็นผิดว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นนะมันแค่รูปธรรมแค่เวทนาก็แค่เป็นนามธรรมสัญญาก็เป็นนามธรรมสังขารก็เป็นนามธรรม ส่วนวิญญาณก็เป็นนามธรรมย่อลงมาแล้วก็เหลือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นเองหาใช่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่เช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเราสังเกตถ้าถามว่าตอนนี้ใครนั่งอยู่เราไมา่เถอก็ทีรยุต์นั่งอยู่ไงถามว่าตอนที่พระพุทธเจ้าส่งสอนขันท่าเนี่ยถามว่ามีทีรยุทตไหมครับไม่มีก็มีแค่รูปที่มันทรงตัวนั่งอยู่แต่เราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้การที่เราไม่เี่เห็นแบบนี้เราไม่รู้สึกแบบนี้ เพราะเราไม่เข้ามาเรียนรู้กายใจอย่างซื่อตรงการที่เราเข้ามาเรียนรู้กายใจอย่างซื่อตรงก็คือสักแต่ว่ารู้นะครับสักแต่ว่ารู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีช่างมันเถอะแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเห็นแบบนี้บ่อยๆเท่านั้นแหละจึงจะสามารถเริ่มต้นละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่ตัวตนหากละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่ตัวตนทุกเบาไปเยอะเลยถ้าเรามี เราก็ยังคงจะต้องฝึกปฏิบัติต่อไปจนจิตสมาสติสมาธิปัญญามีกําลังแก่รอบเขาก็จะสามารถละความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายทั้งจิตสลัดคืนกายจิตกลับสู่ธรรมชาติโดยไม่อะไรอววรอีกต่อไปเมื่อนั้นจิตก็จะเป็นอิสระอิสระจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองการที่ทุกทุกวันนี้เพราะเหตุว่ายังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนอยู่นั่นเอง การที่ความดีก็ดีความไม่ดีความคุ้นชายความถูกแทนยกมาเนี่ยเกิดแล้วก็ดับนหมือับคนทั่วไปก็ที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าความสงบหรือไม่สุบเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันครับคนที่ปฏิบัติแล้วความสงบเรื่องเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติกล้ไม่ปฏิบัติมันก็มีการเกิดดับเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ที่นี้ความทุกข์มันเกีไไม่เท่ากันทุกข์ไม่เท่ากันเพราะว่า มันมีตัวฉันมีตัวตนไปรองรับอยู่ใครสงบฉันสงบใครฟุ้งซ่านฉันฟุ้งซ่านมันมีฉันไปรองรับอยู่จึงเกิดความทุกข์เพราะมีฉันเพราะมีอาตาตัวตนแต่ถ้าเรารู้แค่อาการสงบก็แค่อาการหนึ่งหรือสภาวะหนึ่งของจิตอาการสงบไม่เคยประกาศตนว่าเป็นฉันอาการฟุ้งซ่านก็คือสภาวะธรรมหนึ่งหรืออาการหนึ่งที่ปรากฏที่จิตอาการฟุ้งซ่านก็ไม่เคยประกาศตนว่าเป็นฉันนะครับ กรณีเช่นนี้ยกตัวอย่างถ้าเราจะพูดว่าจิตที่สงบไม่มีปัญหาจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาตรงที่จิตสงบหลงรักความสงบนั่นคือโลภจิตที่ฟุ้งซ่านไม่มีปัญหาแต่จิตที่ฟุ้งซ่านแล้วเกียดความฟุ้งซ่านตรงนั้นมีปัญหาคือเป็นโทสะเห็นไหครับถ้าหากว่าเราสับแต่ว่ารู้ว่า ความสุงส้งซานเกิดก็โดยธรรมชาติของเขาความสงบเกิดก็ธรรมชาติของเขาไม่หลงรักใครไม่หลงเกลียดใครนั่นแหละคือกำจัดอภิชาและธุมนัปแต่ในชีวิตของการปฏิบัติธรรมของเรามันก็หลงอยู่นั่นแหละถ้าหลงว่ายินดีก็รู้ว่ามันกําลังยินดีอยู่ก็คือเป็นสภาวะธรรมอันใหม่เกิดขึ้นว่าสภาวะธรรแห่งความยินดีถ้าหลงยินร้ายก็เกิดสภาวะธรรมใหม่ก็คือสภาวะแห่งความยินร้ายก็ขณะขณะนั้นกําลังกรปลากฏอยู่ที่ปัจจุบัน ก็แค่สักแต่ว่ารู้เฉยๆนะครับปกติเรายังสักแต่ว่ารู้ไม่ได้พอรู้สิ่งใดปับมันสักลงที่ความพอใจและไม่พอใจเราก็ย้อนกลับมาดูอาการพอใจหรือไม่พอใจของฉีดแต่ทุกๆอย่างไม่ว่าสิ่งใดก็าตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยนั่นเองแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับกุศลในพุทธศาสนาเราเนี่ยเราแบ่งเป็นสองกุศลกุศลหนึ่งที่พาให้เวียนว่ายตายเกิดท่านเรียกว่าวัตตะกุศล อีกกุศลหนึ่งที่เรียกว่าออกจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านเรียกว่าวิวัตตะกุศลกุศลที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเช่นทานกุศลศีลกุศลสมถากุศลนี่คือกลุ่มกุศลนะครับทําแล้วดีไหมดีแต่ดีแล้วยังเกิดอยู่แต่เกิดดีเกิดภพภูมิที่ดีสุขติภูมิแต่อีกกุศลหนึ่งคือกุศลที่ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือวิปัสนากุศล วิปัสนาภูษณ์เนี่ยคือพาให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงกุศลใดก็ตามที่เป็นไปด้วยการเบียนไหวตายเกิดกุศลนั้นก็ยังเป็นภัยจะเกิดเป็นพระพรหมจะทุกข์แบบพระพรหมเกิดเป็นเทวดาทุกข์แบบเทวดาเกิดเป็นพระราชาทุกข์แบบพระราชาเกิดเป็นยาจกทุกข์แบบยาจกแต่ขณะเดียวกันมิได้หมายความว่าดูถูกภูษณ์แบบนี้นะครับภูษณ์ทุกอย่างต้องทําให้ถึงพร้อมทานภูษณ์จะปฏิเสธไม่ได้ ศีลกูส่บอกชั้นไม่รักษาเทียงบอกว่าวิปัสนาดีมากชันจะเจริญวิปัสนาแต่ชันจะยึงนกตกปลามันทุกวัน่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่วิปัสนาจะเจริญขึ้นการที่จะมีเจริญวิปัสนาศีลสมาธิปัญญาต้องประชุมรวมกันจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมจึงจะสามารถละความเห็นผิดละความยึดติดเป็นตัวตนของตนได้นั่นเองครับ สรุปก็คือว่าการที่เราต้องมีความพอใจในความสุขแล้วก็เกรยียดความทุกข์หรือไม่พอใจในความพุ้งสร้างแต่อพอใจในความสงบเพราะเรายังมีตัวตนอยู่และตัวตนเกิดเพราะความเห็นผิดใช่ทีนี้ความเห็นผิดเนี่ยก็คือไอ้การที่เรายังไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้อยู่นั้นตัวนี้แหละ ซึ่เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําต่อไปว่าจะทำไงให้ตัวรู้ให้เกิดขึ้นทีนี้มาประเด็นที่ 3, สามพญานุสตีว่าทุกขโทมนัสสานังอะถังเขามาเพราความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกขและโทมนัสถ้าหากว่าความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโทมนัสคือความทุกขความไม่พอใจเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับทีนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกทุกขที่หมายถึงทุกกายทุกมรดสหมายถึงทุกใจแต่ทุกกายเนี่ยมันก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมเจริญสติยังไงมันก็ยังทุกเหมือนเดิมอาจารย์จะให้เข้าใจยังไงแต่ถ้าเจริญสติแล้วทุกทางใจมันลดลงนีนเข้าใจได้แต่เจริญสติแล้วความทุกทางกายเช่นคนเจ็บปวดคนอะไรตากก็เจริญสติยังยังปวดอยู่ไหนได้บอกว่าเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งความทุกควาทุกทางกายลักษณะนี้จะเข้าใจยงไงอาจารย์ทุกขะ โทมนัสสานังอัดถังพมายะเพื่อความดับไปหรือความตั้งอยู่ไม่ได้ของทุกและโทมนัสนะอาจารย์ได้ถามมานะครับทุก็คือทุกทางกายทุกทางกายก็เป็นทุกนะไม่ใช่กายทุกหรอกเป็นเวทนาที่มันทุกไม่ใช่กายทุกไม่ใช่จิตทุกไม่ใช่เราทุกเป็นเวทนาที่มันทุกส่วนโทมนัสก็เป็นทุกทางใจนะ ก็ไม่ใช่ใจทุกข์เราเป็นเวทนาที่มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดเกิดแล้วก็ทําให้ทนได้ยากทนได้ลาบากไม่ใช่ใจทนไม่ได้แต่เป็นเวทนามันทนไม่ได้นะทีนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวเกริ่นไปแล้วถ้าฝึกสติเนี่ยพวกโทมนัสมันก็ลดลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วทางใจท่านไม่สงสัยท่านสงสัยทางกายเนี่ยว่ามันจะดับอะไรได้ยังไง เนื่องจากว่าการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการชำระจิตให้มันสะอาดขึ้นอะไรขึ้นทีนี้กายของเรานี้มันมีโรคแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เกิดจากเหตุปัจจัยหลายๆส่วนด้วยกันนะโดยปกติท่านก็แยกแยะออกไปทั้งส่วนที่เกิดจากกรรมกรรมเก่าเกิดจากจิตเกิดจากสภาพอากาศ เกิดจากอุณภูมิอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดจากอาหารนะพวกส่วนประกอบหรือส่วนที่ทำให้กายเกิดเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทางกายขึ้นมาได้นะเพราะว่าทุกข์นี้เป็นเวทนาเวทนามันเกิดจากผัสสะนั่นจากกายของเรานี้ยังมีกายยปะสสทอยู่เมื่อกระทบกับผัสสะชนิดที่จะทาให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็น สิ่งที่เกิดจากผัสสะเป็นคลั่งๆประมานั้นแหละแต่ทีนี้พอฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะมีสติมากขึ้นสติคอยรักษาจิตให้มีความปลอดโปรงให้มีความเบา <c oughs> เมื่อจิตมันเบากายมันก็จะเบาไปด้วยโดยธรรมชาตินะความหนักของกายก็ลดลงความทุกข์ของกายก็ลดลงโดยเฉพาะส่วนที่เกิดจากจิตเพราะว่าการ โรคทางกายโดยมากและความทุกข์ทางกายเจ็บปวดอะไรต่างๆโดยมากโรคหลายๆโรค ก, ก็เกิดจากจิตโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าใครเครียดใครที่มีความวิตกกังวลมีอะไรมากความทุกข์ทางกายก็จะมากไปด้วยพอจิตใจเปลี่ยนแปลงไปทุกข์ทางกายก็ลดลงอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่สามารถมีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องกันทําให้จิตเป็นสมาธิแล้วก็มีความคล่องแคล่ว จนเป็นอิทธิบาทที่มีความคล่องแคล่วนี้จะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถซ่อมร่างกายได้คือร่างกายนี้มันเจ็บมันปวดเราสามารถใช้สมาธิพวกนี้ซ่อมเข้าไปให้มันเจ็บปวดลดลงให้มันบรรเทาความปวดหรือว่าทําให้มันหายเป็นครั้งเป็นคราวได้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้จานานเรื่องนี้มากคือกายของพระพุทธเจ้าของเรานี้ เนื่องจากพระองค์ไปทําทุกกรรกิริยานา น, านก็เลยค่อนข้างใช้งานมันมากไปก็เลยทำเยอะฉะนั้นตอนที่พระองค์แก่ตัวลงก็มีปัญหาเรื่องนี้มากพระองค์ก็เข้าสมาบัติแล้วก็รักษาซ่อมมันอุปมาเหมือนเกลียดที่เก่าคึ้นค่าแต่ก็อาศัยไม้ไผ่ไปยันมันตรงนั้นตรงนี้ก็ทําให้พอเดินไปได้นะฉะนั้นคนที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ พอสมควรเนี่ยก็จะเริ่มรู้จักว่ากายที่มันใช้การได้ดีขึ้นโดยธรรมชาติถ้าเกิดว่าไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยกายมันจะหนักและมันจะเจ็บปวดเยอะกว่านี้มันก็จะบันเภาลงแน่นอนความเจ็บปวดหรือโรคที่เกิดจากกรรมนี่มันธรรมชาตินะมันรักษาไม่หายแต่ส่วนอื่นๆที่เกิดจากดินฟ้าอากาศที่เกิดจากจิตและที่เกิดจากส่วนอื่นๆก็ทาให้หายได้นะครับ โดยเฉพาะคนที่มีสติแล้วก็รู้จักทานอาหารรู้จักเลือกอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะช่วยให้ความทุกข์ความหนักในกายนี่มันลดลงอย่างนี้นะและคนไหนที่มีสติต่อนเนื่องอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นความเจ็บปวดทางกายก็จะลดลงเพราะว่าเวลาจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเนื่องจากเวทนาต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วก็มันจะไปรักษาทางกาย อย่างถ้าท่านจะลองดูก็ได้เวลาปฏิบัติแรกๆที่สติยังน้อยอยู่ความฟุ้งซ่านยังเยอะอยู่ถ้านั่งไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดความปวดขึ้นที่หลังบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างถ้าเราอดทนทําไปมีสติต่อเนื่องทําความรู้ตัวมีสติให้ต่อเนื่องไปต่อเนื่องปวดก็ปวดไปนะก็ให้รู้จักว่าเออความปวดมันเกิดขึ้นอย่าไป ม, มีปัญหากับมันแล้วก็ทนทําไปเรื่อย ตอนนทาไปแล้วก็มีสติต่อเนื่องกันถึงจุดหนึ่งเมื่อจิตมันเกิดสมาธิขึ้นมาความปวดพวกนั้นจะหายไปนะก็จะได้ความรู้ชนิดใหม่มาเหมือนกันว่าเวลาที่กายมันหนักเนื่องจากจิตมันหนักเนี่ยก็จะปวดจะเจ็บมากเป็นธรรมชาติแต่พอจิตมันเบากายมันก็จะเบาไปด้วยเขาเรียกว่ากายปัจจุบันจิตปัจจุทธิกายมันระงับจิตมันระงับอันนี้เป็นกระบวนการของสมาธินั่นเองนะ กระบวนการของฝ่ายสมาธิก็จะเรินตั้งแต่มีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องพอสมควรก็จะเกิดอาการปราโมทปีติปัปสสติสุขแล้วก็เกิดสมาธิกระบวนการตรงนี้จะเปลี่ยนความรู้สึกทางกายได้ด้วยก็คือแต่เดิมที่เป็นทุกข์มากๆเช่นปวดหลังบางคนปวดจนเอือดแตกเลยนะปวดมากอะไรมากแต่ถ้ามีสติต่อเนื่องทําไปอดทนทําไปบางคนเดินจงกรมเนี่ปวดขามาก แต่ถ้าทนเดินไปมีสติตอนเนื่องพอสมควรจิตมันเกิดสมาธิปลอดโปร่งขึ้นมากายมันจะรังนับความปวดมันจะหายไปนะฉะนั้นวิธีง่ายๆสําสหรับคนที่จะลดความเจ็บความปวดหรือว่าลดอาการทางกายก็คือให้มีสติกําหนดเวลาที่เดินเช่นแค่กําหนดได้ซ้ายขวาทําความรู้สึกก็จะเดินได้เยอะนานกว่าคนปกตินะอย่างนี้ทนนําตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการบรรเทาความ จ็ดความปวดเป็นเวทนาทางกายว่าปีพระอาจารย์ได้ถามว่าทําให้มันดัดให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ได้อย่างไรเพราะว่าตัวสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆแล้วที่ท่านมีวัตถุประสงค์ที่ให้เรามีสติต่อเนื่องให้ดูกายบ่อยๆดูเวทนาบ่อยๆดูจิตบ่อยๆดูธรรมะบ่อยๆก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่ยินดีไม่ยินร้าย และด้วยผลของสมาธินั่นเองจะทาให้ความปวดในกายเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้โดยธรรมชาติของมันอันนี้ท่านไหนที่เคยค่ะเคยลองเนี่ยก็จะรู้รู้จักบางท่านก็จะรู้สึกว่าเออมันผ่านเวทนาอะไรก็ก็พูดไปเรื่อยแต่ที่จริงแล้วเวทนามันเกิดมันก็ดับของมันมันเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปัจจัยตอนแรกจิตมันยังหนักอยู่ไม่เป็นสมาธิเวทนามันก็เป็นอย่างหนึ่งนะพอ จิตมันเปลี่ยนกายมันก็เปลี่ยนกายนี่มันก็ไปกระทบสัมผัสเกิดเวทนาเวทนามันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะกายมันเปลี่ยนไปตามจิตที่เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปมากอย่างนี้นะครับอันนี้ที่าจหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติที่เรืองปฏิบัติจนกระทั่งได้สมาธิระดับสูงจะไปสลายทุกเวทนาตัวนั้นแต่ในกรณีที่ว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสมาธิระดับสูงไม่เกิดเวทนาทียังอยู่ตอวนั้นก็อย่าแต่ที่มันหายยังไง เวทนาถ้าเกิดว่าไม่เป็นสมาธิก็ต้องใช้ปรับเปลี่ยนนิริยาบทาปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันปิดบังทุกเป็นครั้ ง, งไปอันนี้พูดถึงลักษณะของสปปติปัฏฐานนท่านต้องการให้ฝึกให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้จิตเกิดสมาธิตั้งมั่นคือให้มันละอภิชาและโทมนัสในโลกได้เพราะว่าถ้ามันละอวิชาและโทมนัสในโลกไม่ได้มันก็ไม่พร้อมสาหรับงานด้านปัญญาท่านจึงให้ฝึก ทีนี้มันก็จะมีอ น, นิสงส์เวลาที่ได้สมาธิอันนี้คือกายมันก็จะดีขึ้นกว่าปกติไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยนะเพราะว่ากายนี้มันเป็นทุกโดยธรรมชาตนะิทีนี้ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมนี่ยังไงมันก็ยังว่าแหละต้องรับไปส่วนโรคที่เกิดจากส่ว น, น, นอื่นๆพวกสติสมาธิก็จะมาช่วยโดยเฉพาะคนที่ชนานาญด้านสมาธินี่จะสามารถซ่อมร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายนี้มันสดชื่น ทำให้ไม่เจ็บไม่ปวดได้จนกระทั่งรักษาโรคได้ในยุคนี้เขาก็ทำกันที่พวกทาสมาธิรักษาโรคก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ถ้าเราฝึกสติปัฏฐานเ น, เนื่องจากสติปัฏฐานเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งวิปัสนาในตัวมันเองฉะนั้นมันจึงมีผลสืบทอดมาด้วยโดยธรรมชาติของมันนะครับเราได้วิชาใหม่วิชาสมร่างกาย แต่ว่าในตัวของวิปัสสนาเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องการสมาธิดึงระดับอปนานะต้องคัดแค่คณิกะเพราะฉะนั้นอามาก็ใช้คณิกาสมาธิเนี่ยซ่อมร่างกายเพราะอะไรเพราะว่าเอาร่างกายเราไม่ให้บางทีเร า, เาปวดหลังปวดเอวที่มันเป็นวิบากกรรมเก่าเนะี่ยบางทีก็เลยต้องใช้ต้นหลังมาคือเมื่อก่อนร่างกายมามีปัญหามากอม า, มาก็ใช้ซ่อม ใช้โยคะส้มคนตั้งแต่ใช้โยคะส้มหมาก็ว่าร่างกายเนี่ยอย่าให้คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลานั่งสมาธิอามาจะนั่งทีลหลายๆชั่วโมงนี่ร่างกายก็แข็งทื่อไปเลยใช่ไหมเ mm hmm. น, นี่ยง่ายก็เพื่อจะให้มันเกิดสมาธิแล้วเวลาไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะว่าวหายไปแต่บางวันมันไม่ว่าวเนี่ยโอ้โหเรามานแทบตายเลยว่าสมาธิมันไม่ขึ้นไม่ถึงระดับหรอกก็เลยตอนหลังมาใช้วิปัสสนาก็คือแค่ที่เหตุ ถ้าแก้ที่ผลเนี่ยเอาสมาธิระดับสูงไปแก้ที่ผลเนี่ยอันนัต้องใช้เวลาแต่พอแก้ที่เหตุใช่ไหมเพราะว่านั่งท่า น, นี้ลองดูตามดูเหตุของมันว่ามันมันปวดมันหนักแค่ไหนพอเราไม่ได้บอกว่าจะนั่งท่านั้นเท่านี้ว่าหนักแค่ไหนถ้าหนักแล้วก็เริ่มถ้าร่างกายทนไม่ได้ก็เริ่มเริ่มขยับอันนี้ใช้สติเข้าไปแก้ ตัวหนักตัวนั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้จริงๆอันนี้ถืความหมายเพระมาง่ายๆเลยนะเพราะความีสติเขาไปปรับปับ๊บไอ้ความทุกเวทนาก็หายไปเลยในกรณีมันตั้งอยู่ไม่ได้ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้ามันตั้งอยู่ได้นานๆเนี่ยโอ้สมาธิเราสู้ไม่ไหวนะอีกอย่างหนึ่งเขาว่าสมาธิใน อ, องค์ของสมาธิก็ว่าอะไรนะบริสุทธโธใช่ไหมสมาหิโตและกรรมนนียปริสุทธโธก็คือหมายความว่าตั้งใจอย่างตั้งใจแน่วแน่บริสุทาสาธิ์สะอาดในการทำและสมาหิโตก็ตั้งมั่น กี่ตมั่นอยู่บริบวนิกายกระจายแต่ไอกรมนิโยเนี่ยควรแก่การงานเขาแปลนะเอ้ควรแก่การงา น, านะรารงานตรงนี้เราถามอาจารย์เขาว่าควรแก่การงานในความหมายยังไงครับกรรนิโยว่าอาจารย์สี่เหครับกรรมนิโยนะนะนะสมาธิที่ท่านให้ความหมายเอาไว้ซึ่งเป็นคําสําคัญในทางพุทธเรากรรมนีโย แต่ว่าควรต่อการใช้งานทีนี้งานหลักทางพุทเราก็คืองานวิปัสสนาหรือว่างานมาฝึกให้มีปัญญาสมาธิที่ทําขึ้นก็จะต้องเหมาะสําหรับการใช้งานอันนี้ไม่ใช่สมาธิขี้เกียจหรือว่าทําไปแล้วก็คิดถึงแต่ความสงบติดความสงบหรืออะไรต่างๆแท้จริงความสงบเป็นของดีแต่ต้องฝึกให้มันได้ความพร้อมหรือความขยันที่ สำหรับจะนําไปใช้งานใช้แล้วใช้การได้ดีเหมือนคนที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มีกําลังพร้อมจะทํางานไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะนอนต่อนีืคิดถึงแต่หมอนไม่ใช่เงี้ย น, นะต้องรอเขาจี้ก่อนค่อยลุกไปไม่ใช่เงี้ย น, นะถ้าเป็นสมาธิก็คล้ายกันก็เหมือน ก, นกับการที่เราฝึกให้จิตมันมีกําลังแล้วก็พร้อมสําหรับไปใช้งานนะเพรามีสมาธิแล้วก็พร้อมใช้งานทันทีมอง เห็นอะไรก็เข้าใจชัดพร้อมจะเข้าใจพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นว่ามันเป็นอาจารย์คนหนึ่งหรือเป็นผู้สอนเราให้เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิที่เป็นกรรมณียคือมีความพร้อมสำหรับการรับรับรู้อารมณ์ตามที่มันเป็ น, นถ้าพูดภาษาเราง่ายๆ ย, ยุคนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าสมาธิของเราทาแล้วมันดีมันถูกต้องเนี่ย สมมติเอามาอยู่ในห้องหรือไปใต้ต้นไม้ไปทำอยู่คนเดียวเนี่ยไปฝึกอาจจะฝึกสติทำความรู้ตัวด้วยวิธีใด ว, วิธีหนึ่งต่อเนื่องกันถ้าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีและควรต่อการใช้งานเมื่อกระทบอารมณ์หรือว่ามีเรื่องอะไรปั๊บมันก็พร้อมจะร้องว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นถูกด่าขึ้นมาปั๊บก็เออมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานเกิดความทุกข์เจอคนไม่ดีขึ้นมาปั๊บก็เออมันเป็นอย่างนั้นคือพร้อมจะรับ พร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะจับสิ่งนั้นมาดูให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนะมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นถ้ายังไม่หมดเหตุมันก็ยังไม่ดับดอกเหตุมันต้องหมดไปก่อนตัวมันจึงจะดับไปอย่างนี้คือมันพร้อมพร้อมสําหรับการเรียนรู้พร้อมสําหรับการที่จะเห็นอะไรตามที่มันเป็นจริงอย่างนี้อันนี้เรียก ว, ว่าสมาธิที่เป็นกรรมวณิโยซึ่งทางพูดเรานี่ท่านเน้นมากนะเน้น นะครับโดยเฉพาะงานด้านวิปัสนาท่านจะเน้นสมาธิที่เป็นกรรมวิญญาณอันนี้แต่ความจริงสมาธิแบบกรรมวิญญาณนี้ยังเอาไปใช้ด้านอภิญญาด้นานอะไรอื่นๆอีกได้หลากหลายแต่ว่าเราคงไม่ได้เน้นกันแต่ว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ก็คือสําหรับคนบางคนเขาก็ได้สมาธิระดับสูงระดับฌานที่สี่แล้วก็ได้ความควรแก่การงานด้วยก็ได้น้อมไปเพื่อจะ เกิดอภิญญาต่างๆมันก็ควรแก่การงานในเรื่องนั้นๆไปส่วนทางเราถ้ามาปฏิบัติทำเพื่อรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงสมาธิที่พร้อมสำหรับใช้งานหรือควรแก่การงานของเราก็คือพอมีสมาธิตั้งมั่นมันก็สามารถแยกแยะได้ว่า อ, อ๋อนี่เป็นรูปกาลังนั่งอยู่เวทนาหรือความรู้สึกกาลังเกิดขึ้นเป็นเพียงรูปเพีย ง, งานามกายนี้เป็นผู้เดินจิตเป็นผู้รับรู้ แยกกายแยกจิตได้อันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่พร้อมสําหรับการใช้งานถ้าเป็นสมาธิที่มีแต่สงบแต่ไม่พร้อมก็เราไปทำให้มันสงบเสร็จแล้วก็กลายเป็นเราเป็นผู้สงบอย่างนี้เป็นต้นนี้มันคือไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเห็นว่าความสงบเป็นเพียงนามธรรมาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันพร้อมสาหรับการใช้งานมันตั้งมั่นก็จะรู้จักกายเป็นผู้นั่งอยู่ จิตเป็นผู้รับรู้ความสงบมันเกิดขึ้นมันก็แยกกระจายกันออกไปเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปที่นั่งอยู่เป็นนามธรรมคือความสงบที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่รับรู้นี่เป็นตน้นอาจารย์ที่เมื่อาก็ไมด้อยู่ในภาพปฏิบัในความายของที่ที่ประสบการณ์ของอาจารย์เองแต่ใช่ในสับบาลีจริงๆแล้วศ <c oughs> ับบาลีที่ผมไม่ไม่ชํานาญ อาจารย์สุขีชำนาญมากสับปะรจริงๆที่อาจารย์สุขีพูดผมเห็นด้วยหมดเลยครับจริงๆก็คือแบบที่อาจารย์สุขีพูดนะครับการที่เ ร, เริ่มต้นจากการฝึกเจริญสติเมื่อเราฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องบ่อยๆกำลังของสติเนี่ยเขาจะมีผลทำให้เกิดความสุขแล้วความสุขนี่แหละเป็นเหตุใกล้ทาให้เกิดสมาธิคือจิตที่ตั้งมัน่น นั่นแต่ว่าเราเริ่มต้นฝึกสติและลึกรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจบ่อยๆบ่อ ย, อ ย, อยๆเรื่อยๆเนืองๆก็จะเกิดผลก็คือเกิดความสุขเกิดขึ้นเนืองๆความสุขธรรมะความสุขมาจากไหนความสุขมาจากสติถามว่าทําไมสติทําให้เกิดความสุขเพราะสติเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลครับกุศลสติเป็นกุศลมีผลทําให้เกิดความสุขเห็นไหมครับ ทีนี้เมื่อกุศลเกิดความสุขเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ที่ทาให้เกิดสมาธิใช่ครับเมื่อความสุขเกิดขึ้นได้ บ, บ่อยๆจึงกื่อกูลให้สมาธิจิตตั้งมั่นปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วอะไรเอ่ยเป็นเหตุใกล้ทาให้เกิดปัญญาก็ต้องตอบว่ามสัมมาสมาธิหรือจิตที่ตั้งมัน่นถามว่าสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นมาจากไหนก็เริ่มมาจากสตาร์ทด้สตินั่นแหละ สติบวกสมาธิจึงเกื้อกูลให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาไปเห็นอะไรปัญญาไปเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจที่เป็นรูปธรรมนามธรรมานั่นแหละมันแสดงไตรลักษณิจังทุขังอนัตตาปัญญาตรงนี้หมายเอาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองฉะนั้นการที่เรามีสติอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลสนับสนุนให้จิตที่ตั้งมั่น เมื่อจิตที่ตั้งมั่นปั๊สนี่กําลังของสติของสมาธินะครับกําลังของสมาธิก็ทําให้การงานในการเดินวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเกื้อกูลทําให้เหมาะควรในการที่จะเรียนรู้กายใจได้อย่างไม่ไม่ไมอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างที่เรียกว่าสะดวกเขาเรียกมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นก็คือกรรมนิโยที่พระอาจารย์ถามไว้ก็คือแบบนี้ครับตามความคิดส่ตัวนะครับ เริมได้ปวามหมายใหม่เปว่าสะดวกอกายใจสะดวกนะอทําไงก็ได้ให้กายใจสะดวกไอ้ส่วนที่เป็นรูปธรรมนนะแต่ว่าในแง่ของนามธรรมาคือทําให้รู้สภาวะทำต่างๆได้ชัดเจนละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆตามอาจารย์สุภีแต่ในความหมายของอาจารย์ธีริยุทธว่าทําให้ปฏิบัติแล้วให้การสะดวกใจสะดวกพร้อมที่จะทําอะไรได้ ท, ทันทีนะก็เริ่มมีความพร้อมอทีนี้มาข้อต่อไปใกล้จะถึงจุดเนี่ยเรื่องนี้จะต้องถามอาจารย์ ประาพาัะดแล้วแหลเพราะอะไรเพราะว่ายาญัติสาธิตเามะเพื่อเข้าถึงทำอันสัตว์เครื่งรู้แต่มาจะไม่ปมแปลในความหมายจริงแปลว่าเพื่อจะให้นักเรียนนักศึกษาในาสถาบันเนี่ยได้เข้าถึงสติในระดับที่ตัวเองควรจะรู้มาขาอแปลงี้ก็แล้วกันนะนั้นเมื่อการเจริญสติแบบแบบเนี้ยแบบที่เราพูดกันเนี่ยว่าในระดับอนุบาลควรจะรู้เรื่องสติแค่ไหนระดับปฐมควรจะรู้ระดับสติอย่างที่เราทําในระดับไหน ถ้าจะให้ระดับประถมมัธยมประถมหรือ อ, อนุบาลเนี่ยเปรู้สติระดับที่เราพูดถึงคงเป็นไปริ้ยากนะเพราะในระดับไหนที่อาจารย์ต้องการจะให้ทราบมันนหญ่ในะอาจารย์จะกลัวว่าจะมาเตรียมถูกต้องเพางั้นถึงอาจารย์ที่ยุดอาจารย์คือพี่จะมาพูดต่อไปเนี่ยก็ยจะได้เตรียมได้ถูกต้องว่าในระดับอนุบาลรู้ระดับไหนสติที่ว่าในระดับประถมมัธยมและไฮสคูลเนี่ยคนจะรู้ระดับสติระดับไหนและในส่วนที่เป็น การศึกษาขั้นสูงมัญยาตีทวยขึ้นไปเนี่ยควรจะรู้ได้สติในระดับไหนซึ่งพออยากจะทราบโครงสร้างอยา่ า, ายงคร่าวๆาิ่งนว่าทีนีิว่าสตินี่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลทุกชีวิตนะคะแลวก็แต่ว่าก็ต้องฝึกคือไม่ใช่ได้มาเฉยๆแล้วก็การฝึกเนี่ยก็ต้องฝึกตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆที้เขาฝึกได้นะเ ด, เด็กเขฝึกได้ ที่จริงแล้วเป็นเรื่องสากลด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่แต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาที่ที่ต้องการสติเนี่ยนะคะ เ, เคยได้ยินคำหนึ่งในออของฝรั่งก็พูดกันว่า mm hmm. เด็กอนุบาลเนี่ยต้องมี stillness ต้องมีความนิ่งค่ะ ถ้าหากว่าเขาไม่มีความนิ่งเนี่ยคือเขาลุกลี้ลุกลนไปตลอดเวลาเวียงไปเวียงมาตลอดเวลาเนี่ยการเรียนรู้เขาแทบจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งแรกที่โรงเรียนอนุบาลทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่ในสูงเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะกล่อมเกลาให้มีบรรยากาศที่จะสร้างความนิ่งขึ้นมาบ้างสาหรับเด็กๆนะคะ เพราะนั้นเครื่องที่จะช่วยเครื่องมือที่จะช่วยเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ใช้เพลงเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ร้องตามหรือว่าได้ฟังในท่วงทํานองที่จะทําให้เขาต้องเงี่ยหูฟังแั้วนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นบ้างคือเอาเอาเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวช่วยบ้างนะคะเพื่อให้เกิดความนิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทําได้ในเด็กเล็กแล้วก็ การที่ให้เขามีการงานที่พอสมควรแล้วก็เขาอยู่จดจ่ออยู่กับการงานนั้นได้นะคะท้าทายพอสมควรนะให้เกิดฉันทะที่จะอยู่กับการงานนั้นได้ oh, <Jesus. S 1> อันนี้ก็เป็น อ, อีกตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เขารู้จักที่จะเริ่มจดจ่อและทำอะไรด้วยด้วยความตั้งใจด้วยความใคร่อยากจะทําด้วยตัวเองหรือไม่ ไม่ได้อยู่ในการที่ผู้ใหญ่จะต้องสังซ้ายหาันขวาหารอ เ, ราเวลาก็เคยได้ยินข่าวตัวอย่างบางอย่างเหมือนกันนะบางศูนย์เด็กเล็กเนี่ยต้องมีนกหวีดอยู่ตลอดครูครูต้องมีนกหวีดอยู่นะคะเหมือนหัดทหารเพราะว่าเด็กไม่ฟังเลยแล้วครูก็จะเสียงดังมากแข่งกับเด็กนะคะที่พอจะให้เด็กเงียบเขาก็จะเป่านกหวีดป๊ ให้เด็กยืนหันหลังพิงฝาหมดทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะคะกลายเป็นว่า เ, เด็กกำกับตัวเองไม่ได้เอาเสียเลยนะะจนจะต้องใช้วิธีการที่ เ, เรียกว่าต้องต้องแรงมากต้องร้ามากจิงจะอยู่สักปั๊กหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่เราต้องการจริงๆก็คือให้เด็กเขารู้ที่จะอยู่นิ่งเองแล้วเห็น คือคือรู้รู้อยู่กับตัวเองได้นะคะจะด้วยการงานก็ดีจะด้วยสิ่งที่ชักจูงเขาไปในแนวทางที่ให้เกิดอยู่นิ่งอย่างต่อเนื่องได้พอสมควรนะคะนี่ก็เป็นสําหรับเด็กเล็กแล้วก็พอเขาอยู่นิ่งแล้วเนี่ยเขาค็จะรู้จักฟังนะรู้จักฟังเรื่องดีดหรือว่ารู้จักที่จะหยุดตัวเองได้บางครั้งถ้าหากว่าเขาเริ่มจะ ก็ต้องเป็นธรรมดาทะเลาะ ก, กันเด็กเล็กๆก็จะแย่งของกันน ะ, ะจะเล่นกันนี่ก็คือยังไม่รู้จักวิธีว่าการผูกมิตรเนี่ยมันมีวิธีการที่หลากหลายนะโดยมากเขาก็ต้องมาหาในการที่จะสัมพันธ์กับคนอื่นเขายังไม่เป็นในเรื่องนี้ยังไม่มีประสบการณ์เขาก็จะลองด้วยวิธีการที่ไม่รู้ก่อนนั่นแหละก็คือลองด้วยวิธี อ, อยากเล่นด้วยก็ไปแย่งเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้อง พยายามหัดให้เขาดูว่าสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะอันนี้ให้เขาดูแลให้เขาทวนให้เขาทวนตัวเองได้นะเขาก็จะสามารถจะหยุดไว้ก่อนได้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้โต้อตอบที่รุมแรงทันทีทันใดนะคะเด็กหัดได้ค่ะแต่ถ้าหากว่ามีมือที่สามเข้ามาอย่างเช่นครูก็ดีเนี่ย เริลนะ้วครูเริ่ ม, นะกมตกใจก่อนแล้วก็พยายามที่จะ <c oughs> เข้าไปแทรกแซงโดยวิธีการตัดสิงไปเลยนะคะถูกผิดไปเลยก็จะทำให้เด็กขุย่ยพ่อแม่ก็เหมือนกันนะเวลาอยู่เห็นเพื่อนเห็นลูกเล่นกับเพื่อนหรืออะไรบางทีก็ดีเฟน์มากเกินไปก็คือรู้สึกว่ า, าลูกถูกแกล้งหรืออะไรก็จะรีบเข้าไปแสดงบทบาททันที ซึ่ตองนี้ก็ทำให้เด็กไม่มีโอกาสที่จะค่้าใครวนด้วยตัวเองนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราฝึกในเด็กเล็กๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นว่าครูและพ่อแม่จึงมีบทบาทสาคัญที่จะไม่แทรกแซงด้วยวิธีที่ที่ผิดนะแต่ต้องพาเขาทวนกลับไปดูตัวเขาเองว่าอะไรเกิดขึ้นกะะับตัวเขา <c oughs> โดยมากเด็กก็จะเข้าใจเข้าใจได้ในที่สุดนะคะ แม้แต่ความอิจฉาบางทีเด็กยังเข้าใจได้ค่ะถ้าพาเขาดูเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้ว่าสิ่งนี้ไม่พอใจเมื่อเห็นเพื่อนมีของที่ดีกว่าเขานะคะต้องให้เขาถวดว่าเขาเขารู้สึกยังไงนี่ก็เป็นร ะ, ระดับเด็กเลยพอเด็กประถมขึ้นมาเนี่ยก็ เ, <c oughs> เช่นกันแหละคะ่ะคือเด็กประถมก็จะต้องค้าทาย ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเขาเขาก็จะสนมากขึ้นไม่พอยู่นิ่งเริ่มหาวิธีการหาเรื่องราวต่างๆที่จะมามาท้าทายการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่นแหละมีบทบาทที่ที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องกับเขานะว่าเราลําคาญเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ใน ในวิสัยที่เขากำลังเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆให้เขาได้รู้จักที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นมากขึ้นการงานก็จะท้าทายจะใหญ่ขึ้นจะพอมือมากขึ้นเต็นมือมากขึ้นซึ่งในโรงเรียนวิธีพูดเนี่ยจึงให้เรียนรู้ด้วยวิธีการ learning by doing คือต้องมีอะไรทํนะถ้าให้นั่งฟังเฉยๆแบบท่านทั้งหลายเนี่ยเด็กเลย ปถมเนี่ยยุยิบยุยิบไปนานแล้วล่ะคะ่ะนะไม่ไม่อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราให้เขาอยู่ในภาวะที่เขาพออยู่ได้แต่ด้วยด้วยการงานด้วยมีอะไรทํานะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เ, เด็กวัยรุ่นนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเด็กวัยรุ่นนี่คือถ้าบอกว่าให้ซ้ายเขาจะไปขวานะคะ อันนี้ทุกท่านที่มีโลกจะรู้เลยนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่พูดดีกว่า <laughs> ให้คิดเอาเองนะแล้วบางทีต้องให้ลองลองผิดลองถูกด้วยตัวเองด้วยสังไหแล้วจึงจะค่อยๆ อ, อธิบายกันว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะนั้นแต่ว่าเราก็มักจะพแพ้แกละแกแกะม่ผู้ใหญ่เนี่ยนะพยแพ้แก่ะอารมณ์ เสียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นครูกับพ่อแม่เนี่ยก็ยิ่งกับวัยรุ่นแล้วก็เซนซิทีฟมากก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะแต่เขาดูเรานะไม่ว่าจะเป็นเด็กไวัยไหนเนี่ยเขาดูเราดูเรามากเลยนะคะเรามีปฏิกิริยายอย่างไรเขาก็โตอตอบและเรียนแบบอย่างนั้นเลยนะถ้าเราอยากจะสอนให้เขารู้จักที่จะหยุดและทษไว้ก่อนเราก็ต้องทําอย่างนั้นให้เป็นกับเขาโดยตรง ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าเราต้องฝึกจากตัวเราเองนะคะเพราะนั้นฝึกนักเรียนไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปสอนเขาได้ตรงๆแต่ว่าเราต้องเริ่มจากที่ทำที่ตัวเราแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างที่เขาเรียนแบบได้นะคะก็ก็เป็นคร่าวๆแต่เมื่อเด็กคือเขาเป็นเยาวชนโตขึ้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าใจเท่าผู้ใหญ่มากขึ้นนะ การมานั่งเรียนนั่งรู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยสาระมากขึ้นเนี่ยทำได้นะคะแล้วก็เขาก็มีความอดทนมาก้วยสั้งไปพละกกำลังเขามากมายมหาศาลอย่างเด็กมัธยมปลายเนี่ยให้ไปธรรมยตาตากับขบวนของพระสงฆ์ที่ชัยภูมิอย่างนี้นไปได้คะ่ะแล้วก็ อแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ไม่ได้มีการสุดสติอะไรมากมายมากนักเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่พละงกาลังเขามีแล้วก็เราให้เขาได้เอเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอดทนได้นะใ ห, ให้เห็นเรื่องความอดทนกันที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินนไปอย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรกินอยู่แล้วพระท่านก็บิณฑบาตได้อไม่มากนะคะแล้วก็ แดดร้อนเดินทั้งวันหรือว่าไปถึงก็ต้องไปไปคุยกับชาวบ้านนะซึ่งก็ไม่เคยรู้จักเป็นคนแปลกหน้าต้องปรับตัวที่หลับที่นอนก็ไม่มีนะคะอาหารก็มีไม่ครบมืออนะไรอย่างเนี้ยคือพอผ่านอย่างนั้นได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขารู้จักตัวเองขึ้นมากเลยนะเพราะนั้นจะเห็นว่าการงานที่ ที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจำเป็นสำหรับสหรับเด็กในวัยต่างๆนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าแทนที่จะสอนเขานั่งนั่งทำจังหวะนี้นะคะแต่ว่าให้เขาได้ไปเผชิญกับประสบการณ์ตรงที่เขาต้องอดทนด้วยตัวเขาเองแล้วเขาดูเยี่ยงอย่างจากคนอื่นได้อันนั้นกับง่ายง่ายกว่านะคะแต่ก็ไม่แน่อีกหรอกคะ่ะบางคน เมื่อเมื่ออาทิตที่แล้วมหกที่สองสองสามอาทิตย์มาแล้วคนะให้ไปที่วัดป่าสงสบนักกลับมามีอยู่คนหนึ่งมหกมาขอบคุณใหญ่เลยค่ะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากสำหรับชีวิตเขาเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งค้นพบในชีวิตว่ามีค่าที่สุดแล้วกลับมานี่มาชวนพ่อแม่ พ่อต้องไปนะแม่ต้องไปนะเนี่ในชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องไปให้ได้นะ <c oughs> เนี่ยนะคะก็ไม่แน่อีกนะคะเป็นเป็นบางค น, นะคะ่ะซึ่งเขาก็ไปได้อารมณ์หรือว่าได้รู้อะไรขึ้นมาในในในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบ้างนะคะกลับมาก็มาขอบคุณใหญ่เลยอาจารย์หนูขอบคุณมากเลยที่หนูไปในขณะที่อีกห้าสิบคนไม่มาพูดเลย <c oughs> แค่นี้เราก็พอใจแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยนะคะอย่างน้อยก็มีสะสมเข้าไปบ้างแล้วเป็นพื้นฐานต่อไปข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทเด็กเราเราก็ให้ทุกวิถีทางค่ะตามระดับอายุค่ะคก่อนที่จะประเด็นสุดท้ายนะประเด็นสุดท้ายเรื่องใหญ่มากนะนิพพานะสะสัชิกนธาัยทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วมแล้วตอนนี้นะฮะเอามาอยากจะสรุปที่การประภาพัดว่ามุกี้ สำหรับการฝึกเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเอามามีประสบการณ์มานานพอสมควรแต่ตอนหลังมาก็มาฝึกเกี่ยวกับการเจริญสติกับผู้ใหญ่มากขึ้นแต่เมื่อครั้ที่แล้วเรากลับจากที่นี่ไปอาจารย์ไปเจองานเด็กประโขโรงเรียนวัดไผ่โทนเนี่ยคือที่แพร่แสงเทียนไม่รับงานเด็กมานานแล้วเพราะว่าเราทํามานานแล้วไม่ไหวเด็กทําให้เราค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรงานเยอะขึ้นแต่ที่นี้เราก็ไม่ปฏิเสธเลยว่า กลุ่มโรงเรียนไหนก็ตามถ้ามาทั้งหมดเราจะอบรมให้มาทั้งครูอาจารย์ทั้งนักเรียนเลยนะพอมาใหมดส่วนใหญ่ไม่รักแต่ปรากฏว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีโรงเรียนบ้านไผ่โทนนะขึ้นไปทางจังหวัดน่านเนี่ยรับมาทั้งหมดเลยทั้งพอยันตระเลมอหนึ่งมสองขึ้นไปก็ปรากฏว่าในเจ็ดวันผ่านไปอย่างทุลักุเลพอสมควรในที่สุดตอนที่เรามาแชร์กันเนี่ย อาจารย์ใหญ่มาส่วนตอนนี้ผมได้อะไรอย่างได้ อ, อาจารย์ต่อไปนี่นะเรียนคนไหนที่ดื้อที่ซนที่มาโรงเรียนไม่ทันไม่ส่งกันบ้านผมจะมาสร้างจังหวะดหมดเลยว่ากันเอามาฟัง้วตกใจ <c oughs> โอจ้อาจารย์อาจารย์ทำงันไม่ได้นะ <c oughs> ต่อไปเนี่ยจะพวกนักเรียนจะเกลียดกลัวในเรื่องของ ท, <c oughs> ทางจังสวัดเลยถือตังว่าจะทํางันไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จะทำไงพ่อว่ากัน ว่าคนไหนก็ตามก็หากว่าทําผิดทําอะไรที่มีจจำจะให้จะไปเจริญสติกการ of kind of ล้างซ่วมนะเจริญสติการล้างถ้วยไปเจริญสติการเก็บขยะไปเจริญสติเกี่ยวกับการทาความสะอาดโรงเรียนแต่คนไหนทั้งใจปฏิบัติด kind ี of ทําดีขยันเรียนมาเรียนตามจะให้โอกาสได้เจริญสติ <laughs> อาจารย์ท่าว่าอย่างนี้ <laughs> <laughs> แล้วจะเปลี่ยนแผนใหม่คน <laughs> คือการต้องให้ให้เป็นรางวัลนะการเจริญสติถือว่าเป็นรางวัล อยาให้เป็นการทําโทษการทําโทษคงต้องไปเจริญสติอีกแบบหนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็ต้องต้องดูงานผู้บริหารของเราเนะี่ยที่จะให้เด็กนิ่งให้ได้แต่นิ่งแบบไม่ใช่ตัวเ้าเองนิ่งเพราะไม่มีการใช้ประยุกติสติให้เหมาะกับพูที่ภาวะของเขาตรงนี้สําคัญพลถ้าหากว่าเราทั้งหลายที่เป็นครูอาจารย์และเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคอนเซปต์ว่าเด็ก เล็กเนี่ยต้องสติเนสก่อนคือต้องนิ่งซะ ก, ก่อนแล้วจะให้อะไรลงไปแต่ต้องนิ่งนั้นให้นิ่งด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ตัวอาจ า, ารย์บังคับของเราอ่าอันนี้พ่อแม่ฟังให้ดีนะส่วนใหญ่จะต้องบังคับให้ลูกนิ่งนะฮะเอามา น, นี่ดูโยมหลายครั้งเอาลูกไปวัดเห็นลูกดื้อชนหยิบนี่ก็ไล่จับลูกยายาทั้งหมดเลยโยมปล่อยว่างั้นปล่อยให้เด็กเขาเล่นไปต า, ตามหนะ้าที่ของเขาเนี่ยโยมที่ เลี้ยงลูกมาเสียผู้เสียคุณก็พยุงทําอย่างนี้เ่ามาไปซัด ต, ตรงๆเลยบอกให้เด็กได้เล่นตามสื้อ้าเขาให้เขารู้จักวิธีแล้วเดี๋ยวเขาเรียนรู้เขาเองดังนั้นเรื่องนี้สําคัญที่เราจะไปยุคแอปพลายสติเนี่ยเข้าไปให้กับคนทุกระดับได้อย่างไรโดยเฉพาะเด็กนะดังนั้นเรื่องนี้ก็ฝากไว้ให้กับผู้ปกครองหลายท่านแล้วก็ครูอาจารย์ที่หัวข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อใหญ่การทําพระนิพพานให้แจ้งการจเจริญสติเนี่ยทาพระนิพพานให้แจ้งได้อย่างไร ทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นนิพพานเป็นเรื่องของเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของพระอริยเจ้ า, อ เ, าเอามาพูดไม่ได้ถือว่าเป็นการประมาทลบหลูคําสูงอะไรต่างคอนเส็ปตโบราณก็จะว่าอย่างนั้นนะพูดถึงนิพพานเรื่อยกมือใช่ไหมพูดถึงพระอรหันต์เรื่องยกมือแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปว่าคําว่าเราจะทำเพราะว่านิพพานให้เป็นชีวิตประจำวันได้อย่างไรตรงนี้ว่าสติทําให้เราอนิพพานสัจจิจกรณฑ์ไถ่เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง ที่เรียกคำว่านิพพานในคอนเซปต์ถ้าหากว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีขั้นมีตอนมี ช, น ม, ชนมีชั้นเนี่ยคงไม่ใช่แต่สามารถคนทุกคนที่มีวุฒิภาวะที่จะเข้าใจได้ทุกระดับเนี่ยแม้นะแต่เด็กก็เข้าใจได้ในสภาวะของเด็กคําว่านิพพานดังนั้นตรงนี้เอามาอยากจะถามบางท่านอาจจะไม่ได้วงพูดขงลุมเสียวนานแต่แรกอยากจะถามอาจารย์ออส ก, ก่อชื่อจริงอาจารย์อะไรนะสุรพลสรพลเนาะ สุผลร่วมเย็นดีทำร่วมเออทร่วมเย็นในขอโทษด้วยอาจารย์สุผลในความหมายที่เราจะเอาอนิพานไปสอนเด็กให้รู้สารเข้าใจอย่างที่เราใช้ได้เลยเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอาจารย์ธรรมสการพระคุณเจ้านะครับผมเข้าใจเรื่องนิพานนี้เป็นด้วยด้วยการปฏิบัติในในชีวิตประจำวันนะครับ คือพยายามให้ใจเขาถึงความความสงบความเย็นนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรมากระทบใจแล้วเราปรงแต่งให้ต้องเดิเดเรืองน้อนใจนะครับความคิ ด, ด็ดีหรือการพู ด, ด็ดีหรือการกระทำ็ดีของเราเนี่ยก็จะพาเราไปสู่ภ า, าวะที่ที่เป็นทุกข์ที่เป็นความร้อนรุ่มทีนี้เราก็พยายามให้นักศึกษาเขาได้ได้ฝึกดูจิตดูใจเขา ถ้าใจก็ถูกปรุงแต่งไปในทางอะไรเนี่ยก็ให้ตามรู้นะครับตามเห็นแล้วก็ใช้สตินี่แหละเป็นตัวที่จะแยกแยะนะครับะระลึกรู้ว่าจิตใจเราไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับถือเอากุศลที่เป็นประโยชน์กับตัวเองประคองไวใ้ให้ได้ในใจ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามไปให้ถึงอความที่ไม่มีตัวตนนะครับในในแวดวงของพวกวินักวิชาการหรือครูบาอาจารย์หรือว่านักศึกษามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนตกเฉียงกันนะครับในการเฉียงกันนี่นะครับมันเป็นการผลิตซ้ําตัวตัวตนที่ที่ดีที่สุดมัน เอ่ยปากเถียงทีไรหรือเอ่ยปากแกล้เปลี่ยนที่ไรหรือเอ่ยปากวิจารอะไรเนี่ยมันจะผลิตซ้ําไอ้ตัวตนของเราขึ้นมาทันทีให้ให้ให้เรายึดมั่นถือมันไ อ, อ้การยึดมั่นถือมันตรงนั้นก็ทําให้เราเราเริ่มมีความภูมใจนะเพราะเรามีความอยากใช่ไหมฮะที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของผู้อื่นเพราะงั้นไอ้การที่เราให้นักศึกษาเขาได้มีโอกาสได้เห็นได้ฝึก ปฏิบัติเห็นจิตเห็นใจตัวเองไ ด, ได้ได้ได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นทางที่คิดว่าจะช่วยให้เขาเข้าสึงความสมบงบก่มีเห็นได้ครับ<ม><ช>เพราะว่าเราสาร้สรางจิตน ก, กุศลเรื่อยๆนี่ผ่านกาลผเรื่อยๆครับเพราะว่าสติที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเ อ, อนอกจากเราใช้ด้จิตด้วยใจเราแล้วก็เราก็จะต้องใช้ในการที่จะแยกแยะด้วยที่จะถือเอาสิ่งที่เป็นกุศลถึงที่เป็นประโยชน์ ด, ด้วย ฟังยังเป็นนิสชากามีหน่อยอาจารย์ขอความคิดทำความริพน์ให้แจ้งนี่ในกองหมายที่เอาไปช้ทุกวันโยพที่ี่วอว่าเห็นมานาไปทุกคนน่าจะให้อำตอบอเลยที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเอาไปใช้ได้จริงๆรเนี่อาจารที่อที่รมจ่เอาที่เือนที่สองห้องเดือนที่เอามาเห็นกนการนัราชการอาจารย์คนจริงวันนี้จะไม่มา หลายคนบอกถ้าไมมาทุกคนว่าผิดปกติก <c oughs> ็เลยต้องมาค่ะเออคือตัวเองคิดว่านิพานนี่มันไกลามากสําห ร, รับตัวเองออกค็คิดว่าอยู่เนี่ยว่าที่เฉยได้ก็พอแล้วเมื่พอพรอาจารย์พูดนิพานนี่ว่ากลัวเพราะว่าคิดว่ามันไกลไกลตลอดที่จะคิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่คิดถึงนิพานเ ด, เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังคิดอยู่ไ ม, มไม่คิดหานิพานไม่คิดเขาคิดว่า มันมันไกลเดินไปเอาแค่ว่าที่เคยพูดกับหลวงพ่อหลายครั้งว่าแค่ว่าตอนตานยขอให้มันมีสติเท่านั้นก็พอชาตินาสิ่งมาคงด้เป็นมนุษย์ทําต่อได้ <c oughs> ตัวเองหวังแค่นั้นเองค่ะไม่เคยหวังถึงนิพพานค่ะแต่ถ้าพูดว่าทางวิชาการก็ใช่ค่ะถ้าเหมือว่าเราแยกกายแยกใจได้นะฮะเรากายทําใจคือรู้มันก็สบายแล้วค่ะตัวเองก็เคยพยายามก็เจออารมณ์นะคะตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าตัว ตัวองอารมณ์ถึงไหนจนกระทั่งหลวงพ่อบอกว่าไอสิ่งที่ทําให้หมอทั้งตัดต่อนแต่แรกก็จะหยุดแล้วเลิกแล้วนะฮะหอบอกเออบอกยังไม่รู้เลยรูปน้ําแยกกันยังไงไม่ทราบหลวงพ่อบอกหมอเลยไปแล้วพอหลวงพ่อบหมอเลยไปแล้วมันก็เลยกลับใจกลับอีกก็เลยกลับมาทํางานเขาจะไม่เห็นไงคงจะเลิกทําไม่ทํานะคะเพราะว่าทํามาตั้งเกือบสิบปีไม่รู้เลยรูปน้ําแยกยังไงมีแต่คนสว่างคนนี้สว่างไอเราก็มืดอยู่ไม่เห็นอะไรเลยนะก็จะบอกหลวงพ่อว่ามันเห็นมีอะไร พมันเลยไปแล้วเพราะพ่อท่านพูดเลยไปแล้วก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเรามาพูดเป็นภาษาไม่ได้<ช>เพราะฉะนั้นมันเป็นที่ว่าเราปฏิบัติี่ไปถึงจุดไหนนะก็เลยคิดว่าสําหรับตัวเองนะสำหรับนิยติธรรมคนอื่นนะทํ า, านะทไปเองทําไปแต่หักไม่ต้องไปคิดถึงมิพานถ้ามันถึงก็ถึงเองเพราะฉะนั้นตัวเองไม่คิดถึงมิพานถ้ามันถึงก็ถึงเองแต่คิดว่าคงไม่ถึงไม่ถึงคิด่ไม่ถึงแน่แต่ว่ามันเป็นจ้ถึงแน่ ขอารหลังนะอาจารย์ปสารแชร์ประสบการณ์นะครับก็นมัศการคุณพระอาจารย์นะผมก็คล้ายๆกับคุณหมอก็คิดแต่ว่าวันๆหนึ่งก็ขอให้เป็นปกติให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหน้าที่การงานนี่มักจะต้องมีหน้าที่ประเมินคนอื่นตัดสินคนอื่นเพื่อจะให้มีการ ตัดสินใจแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งแล้วก็มันจะต้องทำ ง, งานเราจะต้องมีเป้าหมายมีเวลามีแรงกดดันนะครับมันทําให้เราเนี่ยดำรงความเป็นปกติได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ถือว่าถ้าเราสามาร ถ, ถดํารงความเป็นปกติไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้ สุขภาพกายสุขภาพใจเราก็ดีนะครับแล้วก็รู้ภาวะรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างก็คือว่าถ้าเราเป็นปกติเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ดีที่สุดที่จะทำให้เพื่อนร่วม ง, งานคืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นปกติได้เหมือนกับเรานะครับนังนั้นสิ่งที่พยายามทาอยู่ก็คือว่า ก็ทำให้ตัวเองเป็นปกติมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็ถ้าปกติไปได้เรื่อยเ่อยหรืออารมณ์ไมได้เรื่อยชีวิตก็คงจะดีขึ้นมีความผันมากขึ้นนะครับครับนับกสกัดทำให้อาจารย์มาเห็นทางแล้วว่าสิ่งที่กําลังพูดจริงๆจะเข้าใจได้ง่ายด้วยคําว่าปกติเพราะโมเทียนออกหนังสือมาเล่นใหญ่เลยนะรวมคำสอนของโมเทียนหมดเล่มใหญ่เลยเชื่อว่า ปกติใครบ้างที่ยังไม่เคยอ่านยกมือขึอ้นโอหลายคนไม่เคยอ่านรี่ไปอ่านนลยนะเรื่องชื่อว่าปกตินะคืเ อ, อเป็นความหมายเป็นคำเกี่ยวกับความที่ชัดเจนมากพอทํม า, า, ามาแปลเขาว่า n o r m a t i t y นะเป็นเป็นสารเสือ่อติดอันใหญ่ที่เดียวตัวคําว่าปกติเนี่ยเป็นชื่อของนิพานพก่อนอ่าะคำว่าปกติเป็นชื่อของศีลคําว่าปกติเป็นชื่อของสติ คำ ว, ว่าปกติเป็นชื่อของสมาธิถ้าใครคนในที่เราพูดกันปกติเนี่ยไม่ดังเกินไปไม่ค่อยเกินไปถือว่าปกติใช่ไหมแต่ใครคนหนึ่ ง, ด, งดังขึ้นมากกว่าเพื่อนเงี้ยถือว่าผิด ป, ปกติอันนั้นนิพานไม่มีแล้วถ้าปกติอยู่เนี่ยนิพานมันเกิดถ้ามานั่งเนี่ยปวดขาเมื่อวานมาผิด ป, ปกติไหมผิด ป, ปกติคือมันปวดเอามาก็ทํานิพานให้ให้แจ้งคือทาให้กลับปกติแสีนิพานก็ปรากฏแล้วใช่ไหมอันนี้ความหมายปกติอความหมายนิพานเขาจะมา นะถ้ารู้สึกว่าตรงไหนมันไม่สบายมันเริ่มเป็นว่าตดสงสารแล้วก็ปรับอาลติเข้าไปปรับปรับไปประมาเป็นปกติอ่านิ่ผ่านแล้วทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจนกระทั่งเขาว่าปกติเป็นนิสัยเอามาคืเข้าใจมีนิพานเป็นอารมณ์คืออย่างนี้มีปกติเป็นอารมณ์พอนขอบแจ่มใยมากเลยไม่ให้คํำจับว่าเขาที่ใช่จริงบางคนถ้าแต่ห้องประชุมเจ็ดตัมือกันดังมากตอนี้เราไม่ตัมือนะเรายิ้มๆไมกัน เพราะฉะนั้นคนจีงมีหลายเรื่องที่พูดต่อมาพรได้คำตอบนี้มาพอแล้วนะไม่ต้องต่อเลยนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายนะที่มาได้เสวนาวันนี้เราจะมาทำคำว่าปกติเนี่ยให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะทุกวันในโลกของเราเนี่ยผิดปกติมากใช่ไหมปกติมากขึ้นเอามาอยู่ที่วัดดอยวัดพระธาตุแสงเทียนเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย แผ่นดินไหวถึงสามครั้งเมื่อก่อนแผ่นดินไหวเนี่ยมันแค่ ย, ยิ่งยักเท่านั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันดังตึ่งก่อนแล้วก็ไหวหลายคนบอกเอ๊แผ่นดินไหวเดี๋ยวนี้มันผิดปกตินะเมื่อก่อนปกติมันคือนิดหน่อยก็รู้สึกมาอันนี้แล้วก็ไหวมีอยู่จุดการที่จังหวัดแพร่ด้วยนะฮะโอ้มันใกล้เข้ามาเอามาก็โยมพระขมลบอกว่าที่จังหวัดแพร่เอแผ่นดินไหวใช่ไหมเอามาบอกไม่ใช่เขาลองไอ เราสอบนิวเคลียร์เทสอยู่ใต้ดินมันตลัวความนิวเคลียร์คนนี้ก็เาขาลองอนิวเคลียร์เทสที่ใต้ดินหรือใต้น้ำสักแห่งหนึงแต่มันใกล้เกนนินไปเพราะเมื่อก่อนแผ่นดินไหวมันไม่ดังเดี๋ยวนี้มันดังก่อนตึ้งเลยดังนั้นเองโลกเริ่มผิดปกติมากขึ้นเย็นพรเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งผิดปกติโลกนี้ก็จะมีปัญหามากขึ้นดังนั้นเรากลับมาหาคําว่าปกติคือนิพพานให้แจ้ง เวลาปวดก็ลู้ขึ้นใช่ไม่ใช่ปกตินิพานปรากฏแล้วนะเวลาหิวไปกินให้หายหิวใช่นิพานปรากฏแล้วนะ เ, เวลาทําอะไรรู้สึกมันไม่สบายมันผิดปกติก็ทําให้มันสบายใช่นิพานปรากฏแล้วอาจารย์สุพีมองหน้าธรมาแล้วเปล่าอาจารย์มีใจเห็นด้วยอเห็นด้วยก็ตามนะอาจารย์สุพีขอสช่วยธรรมาอีกทีว่าผิดไปหรือเปล่า น, น, น, นั้นก็เป็นความหมายสําหรับการใช้กันนะครับผมก็ไม่ค่อย ควาหมหด้ดินก็พูดตามหนังสือไว้ก็แล้วกันนะก็คือนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของสภาวะที่คนเข้าถึงได้เมื่อสิ้นตัณหาเมื่อปราศจากตัณหาเนะีเป็นสภาวะที่เข้าถึงเมื่อสิ้นตัณหาสิ้นอุ ป, ปาทานฉะนั้นถ้าอยากจะสัมผัสนะีก็ให้รู้จักมีสติรู้กายเป็นเพียงกายรู้เวทนาเป็นเพียงเวทนารู้จิตเป็นเพียงจิต รู้รมเป็นเพียงธรรมะก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตตามความอยากและตามความคิดของตัวเองก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นตัณหามันก็ไม่เกิดไม่มีนะเมื่อไม่มีตัณหาทุกข์มันก็ไม่มีหรือแม้มีตัณหาเมื่อฝึกหัดมีสติสัมปชัญญะคอยเฝ้าดูสังเกตเมื่อมันหมดเหตุตัณหามันก็หมดไปนะก็จะสัมผัสกับความปลอดโปร่งสบาย เพราะว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้หรือว่าแจ้งได้เมื่อสิ้นตัณหาอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธพจน์เนี่ยก็คือว่านิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่เข้าถึงเมื่อสิ้นตัณหาเมื่อสิ้นอุปาทานและหลักของสติปัฏฐานนี้เป็นกระบวนการที่จะทําให้ใช้ชีวิตอยู่กับความไม่มีทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดพูดภาษาเราง่ายๆก็คือ ใช้ชีวิตอยู่กับนิพพานโดยตั้งแต่ต้นทีเดียวจนถึงที่สุดก็คือใช้วิธีให้รู้กายเป็นเพียงสัตว์กายเพื่อให้ใช้ชีวิตตามปัญญาตามสติจะไม่ใช้ชีวิตตามความอยากและตามความคิดของตัวเองพอไม่ใช้ตามความอยากตามความคิดของตนเองเนี่ยทุกที่ยังไม่มีมันก็ไม่มีทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับ อาการที่ไม่มีทุกเกิดและไม่มีทุกจะให้ดับอันนั้นก็คือยิบผ่านเพราะว่าถ้ามีตัณหามีอยู่ปาทานก็เป็นทุกขัดสมุทยัยเมื่อมีเหตุทุกข์มันก็เกิดมันเกิดทุกข์ไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับวิธีของสติปัฏฐานก็คือท่านให้เราฝึกเพื่อจะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีทุกเกิดก็เลยไม่มีทุกจะให้ดับไปตั้งแต่ต้นอย่างนี้ใช้วิธีที่จะเข้าถึง นิพพานไปตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับประเด็นตรงนี้ก็คืออยู่ในข้อสรุปของสติปัฏฐานทุกๆข้อที่พระงค์ที่พระุทธเจ้าตรัสเอาไว้สติที่ตั้งขึ้นมาว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ยามคือจะได้มีปัญญาในการจัดการในการที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเพื่อจะได้มีสติมั่นคงขึ้นจะได้ไม่ใช้ชีวิตตามตัณหา ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกนะพอไม่ยึดทุกข์มันก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับอันนี้ก็คือนิพพานนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความหมายตามหลักนะทีนี้เมื่อใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่มีทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ไม่มีทุกข์ให้ดับก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีอริยมรรคสมบูรณ์นะจบก็ เป็นพระอรหันก็เข้าถึงนิพพานในที่สุดแต่การใช้ชีวิตตามแบบสติปัฏฐานนี้เป็นการใช้ชีวิตถ้าพูดง่ายๆก็คือใช้ชีวิตอยู่กับนิพพานเพราะว่ามันจะมีทุกข์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีตัณหามีทิฏฐิขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะตัณหามันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์เกิดไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์ให้ดับ ไม่เกิดทุกข์ไม่ดับนั่นแหละนิพพานอย่างนี้นะครับสรุปเรื่องนิพานนพานเลยเหรครับจริงๆนี้นิพพานเป็นผลใช่ไหมครับแบบที่อาจารย์สุพีพูดกล่าวถึงพุทธพจนะ์นั่นแคือความถูกต้องที่สุดนิพพานคือการสิ้นตัญหานิพพานคือการสิ้นการปรุงแต่งนิพพานคือการสิ้นความยึดมั่นถือมั่นนิพพานคือการสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง นั่นคือนิพพานแต่นิพพานนั้นเป็นผลเราทําผลไม่ได้แต่รู้ไว้ก่อนเหตุเราต้องมาทําที่เหตุแล้วเหตุคืออะไรล่ะเหตุก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นอะ่ะย่อลงมาแล้วก็เหลือศีลสมาธิปัญญาน้อมสู่มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองสุดท้ายเราจะพบนิพพานถึงนิพพานหรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ที่เหตุละ ไม่ได้อยู่ที่นิพพานละนิพพานนี่เป็นผลเราต้องมาสร้างที่เหตุถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆนั่นแหละครับจะทำให้เราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจแสดงไตรลักษณ์พอเห็นแสดงไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆบๆปัญญาก็จะเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวตนของเราทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ เห็นตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าไปจนสติสมาธิปัญญาแก่รอบศีลสมาธิปัญญาประชุมรวมเป็นหนึ่งอย่างมีกำลังแก่รอบเขาก็จะละความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและใจสลัดคืนกายใจกลับสู่ธรรมชาติโดยไม่อะไรอววร์อีกต่อไปเมื่อนั้นจิตก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงตอนที่จิตเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนั่นแหละเรียกว่าภาวะเข้าถึงนิพพานนั่นเอง กลับมาทำที่เหตุนะครับแต่นิพพานเป็นผลซึ่งเรารู้ไว้นั่นคือเป้าหมายสิ่งที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงแต่เวลาเดินอย่าเร่งเดินถ้าเร่งมากมันมีแอบแอบอยู่ข้างหลังตัณหามันจะพาพาปฏิบัตินะครับทำไปเรื่อยๆที่เกียรติก็ทำขยันก็ทำสุดท้ายก็ต้องทำนะครับการทำนี้ไม่ว่ามีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนั่นเองนะครับ เป็นนะว่าเราได้หลักการที่สมบูรณ์นะหลักการ5ประการว่าเรามาเจริญสติตลอดเนี่ยเพื่อชำระจิตให้สะอาด บ, บริสุทธิอ์อันที่หนึ่งนะทำมันจะบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ไปช่างมันทําไปเรื่อยๆเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดของจิตอันที่สองอเพื่อที่ความคิดความปรุงแต่งความสุขเศร้าพิไรนําพันนั้นเกิดเป็นผลมาจากความ เข้าใจผิดในอัตราในตัวตนในรูปในนามเนี่ยให้มันข้ามเรื่องนี้ไปให้ได้สติะจะทำให้เราข้ามไปได้ในการาเจ็บปวดด้านจิตใจประการที่สามเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้เนความไม่สบายกายและไม่สบายใจความไม่สบายใจที่มากล่าวเข้าใจแต่ความไม่สบายกายเนี่ยที่ตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือใช้ตัวสติเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆอันที่สี่ เพื่ อ, อรู้ทำที่เราควรจะรู้ในระดับของเราความรู้พื้นฐานความพยายามความเพียรของเราดับนี้เราก็รู้ได้ระดับนี้แหละแต่ถ้าหากว่ามีความเพียรความพยายามความตั้งใจของเรามากกว่านี้มันก็จะรู้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะรู้ทำตามขั้นตอนแห่งความเพียรพยายามศรัทธาและปัญญาของตัวเองนะอันนี้เราก็มีความหวังอันสุดท้ายเพื่อทานิพพานให้แจ้ง ก็คือดังที่อาจารย์คือยิ้ิพานเป็นผลส่วนนั้นนั่งนั่งเนี่ยมันปวดเป็นเหตุใช่ไหมเป็นเหตุที่จะให้เปลี่ยนพอเปลี่ยนปับ๊บผลมันคืออะไรคือสบายเหตุผลปรากฏความสบายนี้มันมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนนั่นเองพอเรานั่งนานๆแต่เหตุบางเหตุมันฝังอยู่นานเช่นลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนไปแล้ยังปวดอยู่นะอันแสดงว่าเหตุเนี่ยมันลึกเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆทําบ่อยๆ ตอนนั้นนิพานจึงแบ่งไว้สามลักษณะลักษณะที่ว่าชั่วคราวแก้ไขไปเรื่อยๆเดี๋ยวดับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับก็ขยันดับไปเรื่อยๆระดั่ทางคันนิพานทนิพานไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะขขไปเรื่อยๆทีนี้บางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันก็รู้สึกว่าทําให้อดทนทําให้เข้าใจทำใม้เยือกเย็นได้นานขึ้นทําจิตใจนานขึ้นเมื่อก่อนเขาพูดอะไรมาในสวนปั๊เลย พูดมาชวนตอนเดี๋ยวนี้นสัยนิ่งฟังได้นานขึ้นนิ่งฟังได้สบายสบายนี่เรียกว่าวิขัมพนะความาปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งปวดแล้วพลิกเลยปวดแล้วพลิกเลยอันนี้เป็นวิกขมขำกระทงคะพอต่อไปปรากฏว่าสศรีเข้มแข็งขึ้นเออนา น, น, านทนได้นานก็เปลี่ยนทีนี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นทุกขเวทนาที่เกิดทางกายต้องไม่ไปบีบคั้นจิต แต่เมื่อจิตทนไม่ได้แล้วหมายความว่าร่างการมันก็ทนไม่ได้ก็จะต้องดูขอบเขตว่าระหว่างรูปกับนามกายกับใจเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนกันเมื่อรูปกับนามกายกับใจเบียดเบียนกันปั๊บนั่นหมายเขาว่าสติของเราเข้าไปจัดการตรงนั้นไม่ถูกละกลายเป็นกายใจเป็นใจเรียว่าศัพท์เดว่ากายเศรษวะกายเวทนาเศรษฐะวิจเศรษฐะวิตอารมณ์ศัพทว่อารมณ์ลักษณะที่ว่ากปกติเข้ามัน แต่เมื่ อ, อไหร่มันไปสักแต่ว่ามันไปเบียดเบียนกันเนี่ยเพราะว่าเราไปจัดการตรงนั้นไม่ดีเพราะสติสัญญาของเรายังไม่เป็นสัมมาสตินั่นเองถึงจัดการไม่ถูกนะที่อันสุดท้ายที่ว่าทำพระนิพพานให้แฉก็คือทําให้ความปกติให้ปรากฏอยู่บ่อยๆคิดอะไรผิดปกติไปก็กลับมาคิดปกติปกติจิตมันคิ ด, ค ด, คดหรือไม่คิดปกติของจิตจิดปกติมันเชอบยรุงแกหรือไม่กุงแกถามอีกครั้งหนึงว่า ปกติแล้วจิตของเราเนี่ยชอบปรุงแต่งหรือไม่ชอบปรุงแต่งช อ, ชอบปรุงแต่งน้ำจิตปกติแล้วนะ <c oughs> แต่ <c oughs> <c oughs> มันไม่ปกติปกติพระพุทธเจ้าบอกว่าพัทระมิทังจิตตังอาคันตุเกเสหิอุบากรีทังจิตนี้ปกติแล้วมันชอบผ่องใสปกติแต่เมื่อมันมีอะไรอาคันตุกะอารมณ์เลือกเข้ามาปรุงแต่งปั๊บ จิตนี้ก็จะผิดปกติไม่ผ่องใสไปเพราะฉะนั้นเรามีที่ปกติอยู่มากไหมมากโยนเพราะฉะนั้นจิวมีคอตอบรมหน้าเดือนละเจ้าเจ็ดวันหรือสิบวันเดียดยัแล้วแต่หลวงพ่อเม่ต่างั้นเรียกเจ็ดวันกันแล้วกันนะถึงวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าี่สบในทางไม่ให้โดนเขาขอไปทางนู้นบ้างว่างั้นก็นเลยว่าเดือนนึ่งกอาจจะต้องมาทางนี้สิบวันก็มาช่วยกันเรื่องทําให้ เรื่องของผิดปกติเนี่ยให้มันเป็นปกติเรื่อยๆปกติทําตอนแรกมาปกติทางกายก่อนฝึกปกติทางกายบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขามันมีทักษะมีความชนิดสนานเรียกว่าสกิลมันเกิดสกิลฟูเมื่อชนิดสนานแล้วการที่จะไปจัดการความปกติของจิตก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแล้วไปดูจิต ด, ดูจิตเลยเนี่ยกา ย, ยามันดูยังไม่ครบเลยไปดูจิตมันก็จะไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะนะ เพราะฉะนั้นในช่วงของแต่และเดือนอาตมาจะมาตรงเนี้วัทนที่สิบถึงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดของทุกเดือนเรามีนัดที่นี่นะแล้วเรียกอะไรมีนัดน ะ, ะมีนัดที่นี่ก็แล้วกันใครมาถ้ามามาคนเดียวมันก็จะปฏิบัติคนเดียวกันนะ่ยถ้ามีใครมาแล้วไม่มีใครมาก็มาถือว่ามาพักผ่อนกันแล้วกันเนะมื่อก่อนตรงนู่นกินข้าวไปอเมริกาไปพักผ่อนที่ไหนตรงนี้มามีเวลาพักผ่อนที่นี่แล้วนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ วันนี้เป็นวันที่มีความหมายพระอาจารย์ปราภัสบอกว่าที่นี่บ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ยังไม่ทันอยู่เลยนะขออนุโมทนจ้าธุผูเทวดาทั้งหลายมาอยู่ก่อนกันเลยกันเป็นเลิกที่สําคัญนะก็ข อ, อนุมัตนาสาธุพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาเฉลิมฉลองด้วยการอมาสร้างหลักฐานพร้อมกันในการที่จะนํำขบวนการจเจริญเศรษฐีประธานสี่แบบนี้เข้าสู่สถาบัน อง่าสสินคิดว่าการเริ่มต้นของเราครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นนําการจเจริญสติเข้าสู่สถาบันหลักๆต่อไปตั้งแต่สถาบันของโรงเรียนอาลุบาลอาจจะทั่วประเทศจนไปถึงมหาวิทยาลัยซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่อาจารย์ประภพัฒนได้กล่าวมาเพิ่มเติมคล้อยความตั้งใจของเราเหล่านี้จะมารวมป็นเป็นพระ ป, ระปัใจจัยในการนําสัมมาสติส ม, มาส ม, มาธิและสัมมาปัญญา เข้าสู่ระบบการศึกษาไทยให้สำเร็จภายในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ